ا ل ل ا ل ر ح م م ا ل ر ح ي م ا ل ح م د ل ل ّ ه ل ص ل ا ّ و ا ل س ل ا م ع ل ى ر س و ل ا ل ل ه و ع ل ي ه و ص َ ب ه و م ن و ل ا ه ت د ب ِ و ر د ع س ل ا م ع ل ي ك م و ر ح م ة ا ل ل ه و ب ر ك ا ْ م تَرْمَلَ لَأَنِّي كَانَتْ مَعَهُمْ มَ ع َ ه ُ م ْ وَمَعَهُمْ و َ م َ ع َ ه ُ و َ ه ُ م ْ وَمَعَهُمْ و َ م َ ع َ ه م ْ وَمَعَهُمْ و َ م َ ع ه ُ م ْ م ข้อมูลความรู้ที่อัลลอให้มาเนี่ยเป็นข้อมูลที่ไม่ซับซ้อนแล้วไม่ต้องไม่ต้องรีบรงในการเข้าใจและปฏิบัติเป็นสมาการง่ายๆสั้นๆที่เข้าใจง่ายและปฏิบัติง่าย และระบบการเรียนรู้การศึกษาอัลกุรอานและ حديث ของท่านนบีสุลต่านละเวลัลลัลลัมที่เราได้รู้มาจากข้อปฏิบัติของท่านนบีละสฮาวะเนี่ยเป็นการศึกษาที่ไม่รีบริงและไม่ต้องละเอียดอ่อนจนกว่าคนจะไม่สามารถครอบครอง ความรู้ทั้งหมดทุกภาคส่วนยกตัวอย่างอย่างระบบการศึกษาในปัจจุบันนี้คือเรียนรู้โดยมีเป้าหมายและระยะเวลาที่ชัดเจนและมีเนื้อหาชิ้นก้อนของความรู้ที่จะต้องทำข้อสอบที่มันชัดเจน หลักสูตรที่มันชัดเจนจะน้อยจะมากนี่ก็แล้วแต่เรียนปถมศึกษาหกปีเอาให้จบจบจะได้ถือว่าจบปถมจบแล้วเอาเรียนมัธยมต้นสามปีปลายสามปีต้องจบนะพอไม่จบนี่ไปตอบเป็นเนีตีไม่ได้และที่เรียนกันแต่ละปีเนี่ย มันก็จะมีหลักสูตชัดเจนอ่านหลักสูตรนี้ดูหนังสือนี้ให้ดีนะแล้วก็ไปสอบปลายปีนี่สอบหลักสูตรเฉพาะหลักสูตรนี้นะถ้ามีข้อสอบมานอกหลักสูตรเนี่โวยวายได้นะฟ้องศาลได้เลยกนละายเป็นคดีดได้นะต้องอยู่ในหลักสูตรนี้และพอเรียนจบมหกแล้วอะนะค่อยไป ไปสมัครเรียนตามชอบจะเรียนสาขาอะไรเนี่ยก็ไปเรียนจบแล้วได้ปริญญาติจบปริญญาตีแล้วอยากจะสูงหน่อยนี่ก็โทโทเสร็จแล้วเนี่ก็เอกเสร็จแล้วอ่ะโอ้เป็นอาจารย์แล้วเป็นด็อกเตอร์แล้ว อาจารย์มหาอะไรนี่ก็คือสูงสุดแล้วใครๆที่เรียนในรูปมหาจะรู้นะส่วนมากเนี่ยเก้าสิบเกือบ 99% สิบเก้าซ็ของบรรดาอาจารย์มหาอลไรเนี่ยถ้าเป็นอาจารย์แล้วเป็นรองศาสตราจารย์แล้วเป็น professor แล้วเนี่ยความรู้ไม่เพิ่มความรู้ได้แค่นั้นการขยายความรู้ มันจะถูกบัณพรด้วยด้วยสเปคหรือรูปแบบของการศึกษาที่มันจํากัดทุกเรื่องจํากัดเวลาจํากัดหลักสูตรจํากัดทุกเรื่องแต่พอมาดูอิสลามศึกษาหมายถึงว่าการศึกษาแบบอิสลามนะหมายถึนนเนื้อหาของอิสลามอย่างเดียวนะทุกทุกสาขาทุกวิชาเรียนโดยไม่มีข้อจํากัดเรียนได้ตลอดชีพตลอดชีวิต ชาซาลัฟนีบอกว่ามาอัลมักบาระอิลลัลมักบาระพร้อมปากกานี่ปากกาอยู่กับฉันเนี่ยจนถึงกูโบเลยหมายถึว่าเรียนรู้ตลอดเวลาชาวซาลัฟนี่เนี่ยบอกอุตอุตลุบุลอิลมามเนล์มหดีอิลลัพดีจงศึกษาแสวงหาความรู้ตั้งแต่อยู่ในบ่แบอยู่อยู่ในอยู่ในเป็นยังเป็นเด็กจนอิลลดลดีก็คือกูโบจน ถูกฝังในหลุมศพจึงไม่รีบไงเพราะข้ออนุโลมที่อิสลามมีให้มุสลิมทุกคนส่วนไหนที่ไม่รู้ส่วนไหนที่ไม่รู้ไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้แล้วเกิดไม่ได้ปฏิบัติศาสนาก็ไม่เอาโทษไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องบาปแล้วดันไปทำ ศา ส, สนาก็ยังไม่เอาโทษแต่จะถูกตาหนิถ้ามีช่องว่างมีโอกาสในการเรียนรู้และมาเรียนรู้อันนี้ถูกตาหนิสามารถเรียนรู้หรือจะถูกตาหนิว่าที่อื่นเรียนรู้เยอะแยะเลย uh huh. เรียนรู้หลักสูตรทำกับข้าวเรียนภาษานูน้นภาษานี้เรียนอูชานูชานี้แต่พอมาเรื่องศาสนานี่นะ ไม่มีเวลาอ่ น, นั้นถูกตำหนิอ่า น, นั้นควรตำหนิควรถูกตำหนินอกจากนั้นถ้าเราอยู่ระหว่างกระบวนการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยทุกช่วงชีวิตของเราอ่ะนะนั่นคือความชอบในวิถีชีวิตของมุสลิมที่มีความสวยงามมีความจำเรินว่าตลอดเวลาเนี่ยไม่มีพื้นที่ว่าง ไว้ให้ถูกชี้ว่าเป็นคนโง่เขาหรือคนปรารถนาที่จะเป็นโง่คนโง่เขาจากอายะห์กสิบสองที่เราได้อ่านไปแล้วอธิบายไปแล้วแล้วก็ยังขาดอยู่นิดนึงที่บอกกับพี่น้องว่าจะนี่จะพยายามให้ให้เสร็จนะครับตอนนี้หกสิบเอ็ดถึงหกสิบสี่อัลลอฮ์อัลล์ได้บอกว่าคนใกล้ชิดของอัลลอฮ์สุภาณวดาล่ะเขาจะไม่กลัว จะไม่เศร้าัลลออฺอิน أ อ ل ي ล ء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. นนี้เป็นแรงดึงดูดกของชีวิตอะไรอะที่ไม่กลัวและไม่เศร้าหนูโอ้ชีวิตนี้น่าสนใจนี่ถ้ามีใครเขาขายหมูบนะม่บ้านนะหมู่บ้านนี้นะ่ยอยู่แล้วไม่เศร้าไม่กลัวขายดีไหม <laughs> ไม่เหลือนะ หมู่บ้านนี้อพาร์ตเมนต์นี้คอนโดนี้เนี่ยอยู่แล้วไม่เศร้าไม่กลัวแบบนี้ไม่เหลือสิครับทุกคนก็อยากได้ชีวิตแบบนี้มันเป็นสองเรื่องที่น่าอนาจิ่งนะครับสำหรับมนุษย์ทุกค น, นที่ชีวิตของเขาเนี่ยจะต้องวนกับเรื่องความหวาดกลัวและความเศร้าความเศร้าสุด ไม่มีใครอยากจะเป็นแบบนั้นไม่มีใครอยากจะพบอุปัติเหตุอยากจะพบเหตุการณ์ที่ทําให้เขาเนี่ยกลัวตลอดเวลากลัวจะขับรถกลัวจะเข้าบ้านกลัวจะออกนอกบ้านกลัวจะไปทํางานกลัวจะไปเล่นบอลกลัวกลัวจะกลัวจะไปเที่ยวกลัวจะไปกลัวนู่นกลัวนี้กลัวไปหมดแล้วถ้าเศร้าอีกล่ะอม กลัวจะเสียใจทุกเรื่องเลยกลัวโศกนาฏกรรมจะเกิดขึ้นกับชีวิตของตัวเองจนกระทั่งความกลัวกลัวที่จะเศร้านาะยยังไม่ได้เศร้านะกลัวที่จะเศร้านะกลัวซะกลัวจะเศร้ากลัวจะเศร้าจนเป็นโรคซึมเศร้าหลายคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยนะมันไม่มีอะไรทาให้เศร้าเลยนะ แต่เขากลัวจะเศร้ากลัวเดี๋ยวพ่อจะตายแล้วไม่มีใครดูแลกลัวเดี๋ยวแม่จะตายแล้วก็ไม่มีใครจะเมตตาเขากลัวเดี๋ยวพี่น้องเขาจะตายแล้วเขาจะโดดเดี๋ยวอยู่คนเดียวนี่เหงากลัวเดี๋ยวภรรยาเขาจะตายกลัวเดี๋ยวสามีตายแล้วก็ไม่มีใครอยู่ด้วยเดี๋ยวกลัวโดี๋วลูกจะตายด้วยอยู่ในสภาพความหวาดกลัวตลอดเวลา อย่างที่บอกก็พูดผู้ศรัทธานี่คนใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุบฮานะวะดาละ่ะเขาจะไม่กลัวและจะไม่เศร้าหมายถ่งว่าชีวิตของเขาไม่ชเฉพาะวันเกียรมาะนะวันเกียรมานี่แน่นอนไม่เศร้าไม่เศร้ า, ไ ม, ราไม่กลัวอยู่แล้วไม่เศร้าในสิ่งที่ผ่านพ้นไปในชีวิตไม่กลัวในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะวันเกียรมาสาหรับผู้ศรัทธานี่คือจุดมุ่งหมายที่มีความแน่นอนอยู่แล้ว เตรียมตัวตลอดชีวิตเนี่ยตอนอยู่ในดุนยาเนี่ยเตรียมตัวตลอดชีวิตเนี่ยให้โลกอาคิอรอนี่มีความมั่นคงและนี่คือนักลงทุนที่แท้จริงแต่ไม่ได้เพียงพอสำหรับผู้ศรัทธาที่จะปราศจากชีวิตที่ปราศจากความเช่าความกลัวเฉพาะในวันเกิยมาแม้กระทั่งในชีวิตนี้เนี่ยที่เขากำลังที่เขากาลังต่อสู้เื่นดนเพื่อโลกหน้านะ เขาจะกลัวน้อยกว่าคนอื่นเศร้าน้อยกว่าคนอื่นและความกลัวของเขานี่จะไม่เป็นความกลัวที่สร้างความมุตดิตรหรือความผิดปกติกับชีวิตของตัวเองจะเป็นความกลัวที่มีเหตุมีผลจะไม่จะไม่ถาวรกลัวเพราะเจองูอย่างเงี้ยกลัวเพราะ เ, าเพราะเดู เ อ, อเอ่อน้ำไม่ไหลจะไม่มีน้ําอาบน้ําละหมาดละหมาด เ, อเอกลัวอะไรแบบเนี้ชีวิตของผู้ศรัทธานี่มีแต่ได้ผู้ศรัทธานี่จะกลัวดูไม่มีริสกีกลัวดูไม่มีรายได้ไม่มีอันจะกินกลัวดูละหมาดแล้วเขาเขาจะมาทุบตีเอางั้นไม่ละหมาดดีกว่าไ อ, อ้อประเภทความกลัวแบบนี้ผู้ศรัทธาไม่มียิ่งถ้ามี ความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นอันที่จะทำให้เขาเนี่ยจะต้องละทิ้งคาสั่งสอนของพระเจ้านี่ยิ่งกระตุ้นทำให้เขาเนี่มีความท้าทายให้เขาเนี่ยยิ่งอยากต่อสู้มันไม่จะมันไม่ใช่เป็นความกลัวที่น่าสงสารแต่เป็นความกลัวที่ท้าทาอยอ่ะจางคือเราเราความกลัวนี่มันไม่ใช่ข้อตำหนิเสมอนะความกลัวนี่ทำให้เรานี่เขาบอกว่า เชื้อเือของเสื้อของความกล้าหารนี่คือความกลัวคนเราเนี่ยจะได้กล้าหารจริงๆนะก็ต้องมีเชื่อแห่งความกลัวชีวิตทั้งชีวิตนี่มีความกลัวบ้างมีความเศร้าบ้างแต่มันไม่ใช่ความกลัวและความเศร้าที่ทำให้ชีวิตของเขาเนียน่ยเคร่งเครียดไปหมดชีวิตไม่มีความสุขไม่ใช่เลยบางทีชีวิตจะมีความสุข ปนไปกับความกลัวและความเศร้านั่นแหละดูคําพูดของท่านนบีตอนที่ลูกชายเสียชีวิตมันปนไปหมดนะอินนัลไลนัละตัดมะลูกท่านนบีเสียชีวิตอิบราฮิมอินนัลไลนัละตัดมะดวงตาของเราย่อมมีน้ําตาที่ต้องหลั่งไหลไว้อินนัลคัลบายอัจซันละแทจริงหัวใจของเรานี่ก็จะต้องมีความเศร้า เศร้าหนีพอ์ลูกตายธรมนาวทำอยไรวาเราจะไม่พูดเราจะไม่มีวาจาใดๆนอกจากที่จะให้อัลลอ์นี่พอพระทยนี่ในความสุขควบคุมความเศร้าของตัวเองเนี่ยให้เกิดความพอพระทยจากอ AH ัลลอ์นี่แล้วจะเชื่อมั่นนะว่าอัลลอ์พอพระทยนะั่นความสุขมันเป็นความเศร้าที่ปนกับความสุข อยู่ที่ความเก่งของแต่ละคนเนี่ยจะให้ความเศร้าเนี่ยโดยเนื้อแท้เนี่ยมันเป็นความสุขหรือมันจะเป็นความเศร้าที่ปนกับความสุขอันนี้ก็แล้วสุดแล้วแต่ของความศรัทธาความเชื่อมั่นในอัลลอฮ์คนกาลังเผชิญกับความตายแต่มีความสุขอย่างบรรดามุจจิฮีดีนเช่นซอฮาบะเช่นอันัสอับนุนัรเป็นคุณอาของอานัสอับนิลนลิกในสุนขโมฮต์นี่ได้เห็นซอฮาบานี ถอยมาแล้วกด็ดูเหมือนจะพ่ายแพ้แล้วอันนั้นแสดงว่าเราไม่ยอมลุยไปในทหารของมุชริกีนเนี่ยประเชิญหน้ากับทหารสามร้อยตัวเองคนเดียวนะคือโอกาสรอดนี่กี่เปอร์เซ็นต์1นึ่นสู้กับสามอ่ะโอกาสรอดนี่กี่เปอร์เซ็นต์ 0% คือจะอะไรอ่ะถึงจะเป็นไอ้เนี่ยอะไร ไอ้พวกที่ถือปืนสองข้างน่ปั๊บรัมโบ้รัมโบ้ถึงจะเป็นไอ้รัมโบ้ฮะหรือใครนะไอ้ในสามกกนี่ที่มันที่มันสู้กับทหารทั้งทั้งกองทัพเลยอ่ะใครนะไอ้ที่ไปช่วยลูกลูกเล่าปีอ่ะกูลองตูลองเออตุลอง เขมันก็สู้กับกองทัพทั้งกองทัพอะแต่ทับฟังเขาไปสู้นี่สามร้อยแต่หนึ่งคนเนี่ยรู้ว่าต้องตายรู้ว่าต้องตายแต่อันนั้นพูดอะไรอะตอนนี้กาลังเข้าไปอะวะลาอีอินนาะลเจเนตอีอินนาะลเจเนตอินนีลาอจิดรฮาดูนอูุดขบานีนี่คือสวรรค์ข้าเจากาลังได้กลิ่นของมันเนี่ยอยู่เชิงภูเขาอูฮุดนี่ความกลัว ความกลัวมันหายไปไหนอ่ะคนนี่กำลังประเชิญหน้ากับความตายร0 0ยเปความปลอดภัยนี่ 0% นยปอร์ะกำลังประเชิญหน้ากับความตายมันต้องกลัวไงปกติปกติของมนุษย์นี่ต้องกลัวดิเจอความตายนี่ต้องกลัวแต่พูดมาได้ไงอ่ะว่าได้กินสวรรค์น่ะความเชื่อความศรัทธาเนี่ยแบบนี้ผู้ศรัทธา น, นเวลาป่วยก็จะไม่เกิด อะไรที่มันทำให้ความเจ็บป่วยของเขาเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่น่าอานาถน่าสงสารคนเจอหนโอ้โหเนี่คนนี้น่าสงสารเลยร่างกายก็ป่วยจิตใจก็ย่ำแย่ yeah. ไม่ไหวแล้วกูจะไม่รอดแล้วให้ให้นิสานีเตรียมกูโบให้กูได้แล้ว คือไปเยี่ยมไปเยี่ยมนี่ไม่มีอะไรที่เป็นความหวังเลยแต่ผู้ศรัทธานี่ป่วยนี่ใครจะรู้เลยเนะนี่ยผู้ศรัทธาเนี่ยเวลาป่วยนี่นะแทนนี่คนป่วยนี่รับกำลังใจจากคนแข็งแรงนะไม่ใช่ผู้ศรัทธานี่ตอนเขาป่วยเนี่ยเขาต่างหากที่จะให้กำลังใจกับคนแข็งแรงไปเจอคนป่วยที่เป็นผู้ศรัทธานะโอ้เขาไม่ไม่หยุด รำลึกถึงอัลลอฮ์มีความเข้มแข็งเป็นยังไงบ้างทำด้วยล่ะสู้สู้ทำด้วยล่ะอลัลอลอฮ์ให้ยังไงก็ต้องต้องอดทนไอ้คนที่แข็งแรงนี่นะบางทีนี่ก็แข็งแรงก็จริงแต่ชีวิตของเขาหนีท้อดแด้ไปหลายหลายเรื่องแล้วมามาม า, มาเยี่ย ม, มไปให้กําลังใจให้คนป่วยเน่ะปรากวดคนป่วย น, ะโโ น, วยนี่ให้กําลังใจกับคนแข็งแรงผมเคยมีลูกศิษย์แกกว่าผมนี่ห้าสิบกว่าปี ถ้าใครทันนะปุยิบนะปุยิบรอให้มาอุทล์นี่แกเสียชีวิตแหละแกมีโรคเยอะแยะนะนยะเยอะแยะนี่ไปทุกทีนี่หมอก็จะบอกว่าลุงนะลุงมีเรื่องนี้แกก็มีเบาหวานมีหัวใจมีอะไรเยอะมีเรื่องหัวใจในี่ต้องระวังหน้าเสียงน้แกก็จะยิ้มยิ้มให้หมอนี่ก็เอก็่าเดี๋ยว ดูจัดการยังไงดูพระเจ้าจะช่วยจนกระทั่งแต่ละครั้งนี่ไปเยี่ยมนี่หมอนีก็แปลกใจว่วาว่าคนป่วยทาไมทำไมำไม่ไ ม, ไม่ไม่กลัวเลยเหรอไม่กลัวเลยเหรอมีปัญหาสุขภาพแบบนี้ อ, อาการของคุณลุงนี่แย่นะไม่ไม่ไม่เบานะอาการของคุณลุงนี่ <laughs> เสี่ยงมากเลยนะบอกอคนอย่างเรานี่ อยู่ในโลกนี้ไม่นานเดี๋ยวก็ต้องไปพบพระเจ้ายังไงเราก็ต้องอดทนหมอเ้าสารภาพบอกว่าลุงนี่ผมไม่เคยเจอใครเหมือนลุงเลยพอมีใครเป็นโรคร้ายแรงเน่เป็นมะเร็งเป็นโรคหัวใจต้องผ่าตัดผ่าตัดมีความเสี่ยงอาจจะตายอะไรนพอพอบอกกับคนไข้แบบนี้คนไข้ส่วนมากนี่ก็จะซึมซึมซึมไปเลยคือ คือไม่รู้อนาคตของเขานี่หมดไปแนละ้วคือหมอกำลังแจ้งการหมดอนาคตของเขาอะ่ะในตอนนั้นน่ะคนพวกเรานี่ได้ยินได้ยิ น, ยนเรื่องโรคที่มันร้าแรงอะนะมันก็ดูเหมือนไม่รอดอะเพราะเราก็ได้ยินคนนี้ตายเพราะมะเร็งตายพเพราะโรคหัวใจวายตายพราะเราเป็นบ้างอะนะแสดงว่าไม่น่าจะรอดนะซึมผู้ศรัทธาไม่ซึม ผู้ศรัทธาก็จะต้องมีความหวังในอัลลอฮฺสุภาณอห์ดาอะไรยิ่งยิ่งมีบททดสอบแบบนี้เนี่ยแล้วเขาเชื่อมั่นในผลตอบแทนของอัลลอฮฺนี่นะเขาก็จะ ย, ยิ่งมีความหวังอาจารย์ผมคนหนึ่งชื่อเชคโมฮัมมัดฮอซายเนูบเนี่ยแกป่วยครั้งหนึ่งแล้วป่วยหนักเขาบอกว่าครั้งที่ป่วยหนักเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าจะท้อละ เขาก็เลยไปทุบทวนบรรดาอายะบรรดาฮะดีซีพูดถึงเรื่องป่วยเรื่องผลตอบแทนกำลังใจที่ศาสนาให้กับคนป่วยแกหายป่วยทันทีเนะี่ยบรรยายครั้งแรกเลยนะ่ชื่อหัวข้อบรรยายเนี่ย alharad fi fadli l m a r a d ตัาประสงค์แห่งความประเสริฐความประเสริฐของการเจ็บป่วย เป้าประสงค์ของผู้ศรัทธาเนี่ยที่จะให้การเจ็บป่วยนี่นะมีความประเสริฐและถ้าเรามีมุมมองมีวิสัยทัศน์แบบนี้นี่ถ้าเราป่วยละ่ะเราจะดีใจหรือจะเสียใจถ้าป่วยนี่มันมีความประเสริฐนะและได้ป่วยแล้วเนี่ยโอ้แสดงว่าเราต้องดีใจสิดีใจเพราะอัลลอฮ์เลือกให้เราถูกทดสอบเลือกให้เราได้พบกับความประเสริฐข้อมูลแบบนี้วิสัยทัศน์แบบนี้ จะไม่เกิดขึ้นกับคนที่ปราศจากคำสั่งสอนของอิสลามโดยเฉพาะหลักศรัทธาที่เราได้มาจากอกุรอานและคดีศกาจะไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีมุมมองเนี้ยไม่มีชีวิตแบบนี้ก็เป็นชีวิตที่น่าแสวงหาดิไม่เศร้าไม่กลัวฉะนั้น จากอายนี้ทุกคนก็อยากจะเป็นวลีสิอัลลอินน้าอุลิยาอัลลอฮิลาขัฟุนอาลีวะลาห์มิทธะคุอยากเป็นคนใกล้ชิดกับอัลลอฮ์นี่แน่นนแน่นอนในซูฟีตริกัดเรื่องวลีจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซีเรียสเรื่องวลีนะซีเรียส มีเงินขต้องเป็นอย่างนู้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องต้องมีอภินิหารต้องมีอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดต้องเป็นคนดูอามุสย์ญาต้องเป็นอะไรถ้าใครได้ไปอ่านคุณสมบัติของวลีในกระบวนการการศึกษาของซูฟีนะนะเขาจะพบว่าวลีนี่นะก็คื อ, อสมมติว่ามีมีมีสิบล้านคนนะนะ จะมีวลีจะมีวลีในสิบล้านคนเนีน่ยมีสักสิบคนกี่เปอร์เซ็นต์ศูหนึ่งเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์มันก็สิบล้านนี่มันก็ลบลบไปลบไปให้เหลือสองสนะูนอะใช่ป่ะมันจะรู้เปอร์เซ็นต์ขอมันนี่มันกี่เปอร์เซ็นต์ กี่เปร์เซ็นต์แะสิบล้านนี่มีสักสิบคนนะนะเป็นวลีคือสูฟีเนี่ยเขาจะบอกว่าโลกนี่ทั้งโลกนะไม่ใช่สูฟีทั้งหมดเนี่ยสูฟีพวกสุดตรงหน่อยโลกทั้งหมดเนี่ยมีวลีสามประเพณประเพณแรกนี่ก็คืออัลเอาตอาัดเอตัดนี่แปลว่าเสาหมุดเสาหมุด เต็นเนี่ก็ต้องมีก็ต้องมีเสายึดยึดเต็นไว้น่ะนะเอาแต่โลกเนี่ยต้องมีเหมือนเสาหลักเสาที่จะทำให้โลกเนี่ยมั่นคงเอาตต่นี่เขาบอกว่าหลักร้อยโลกนะทั้งโลกนะกลุ่มที่สอนี่อับดัลอับดัลระหูพธของบดลบดัลนี่คือผู้ทดแทนเหมือนตัวแทนอ่ะอันนี้หลักสิ และก็อักตอบอัณนฑนิตประเภทที่สามวลีพวกอักตอบเนี่ยอักตอบนี่ก็คือศูนย์กลางของโลกออันนี้ก็มีคิลาฟกันบางทัศนาของซูวีบอกว่ามีแค่สี่คนบางทัศนาบอกว่ามีคนเดียวอักตอบรุกตุตบเนี่ยก็คือศูนย์กลางของโลกดูแลโลกนี้ทั้งหม ด, ดเป็นตัวแทนของพระเจ้าเลยอันนี้ไม่วลีธรรมดาเนะีเหมือนอัลลอฮ์มอบาหมายเขาดูแลเรื่องอะไรตัวมีอะไรในโลกนี้เนี่ยเขาเป็น ตัวแทนของพระเจ้าซึ่งข้อมูลของซูฟีแตน่นอกจากว่ามันสวนทางกับตัวบทของคุอ่านอย่างชัดเจนเลยนะแล้วปราจากเหตุผลและก็หลักฐานหลักฐานที่จะว่าทำไมต้องกุตุบตรงสี่กุตุบอ่ะตงศูนย์กลางของโลกต้องหนึ่งหรือสนี่มีตัวบทหลักฐานนัมาจากอะไรอ่ะและสามประเภทเนีกุตุบบดล บตบนนี่ทำไมต้องสามทำไมต้องสามมาทำไมต้องชื่อแบบนี้เนี่ยมีไหมในคุตตาเนี่ยไม่มีไม่มีแต่ถ้าเราศึกษาในกุร่าและ ح د สง น, นาันบอลลลอฮุวาลฮซลมเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดก็คือวาลีวาลีนนนาเนี่ยมีในคุตตาเนี่ยหรือคำศัพท์ใกล้เคียงใกล้เคียงกับวาลีก็คนใก่ชิดกับอัลลอ คนที Allah, ่อัลลอฮ์เมตตาคนที่อัลลอฮ์ดูแลคนที่อัลลอฮ์คุ้มครองอ่ะไปดูในคุตัลนะครับนสิมีเยอะแยะเลยนะคนเหล่านี้เนี่ยที่มีความตระสือเหนือเหนือกว่าคนอื่นอ่ะเหนือกว่าคนอ่นอ น, นี้มีเยอะแต่ที่จะยืนยันในเรื่องนี้นี่นะว่าในอายะเดียวกันเนะี่ยที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าบรรดาวะลีคนที่การชิตกับอัลลอฮ์นี่คือคนที่เขาจะไม่กลัวไม่เศร้านี่นะ คนณสมบัต uh ิของข้าวนีอัลลอีนอามันวกานูยัตตะกูนอายาญนี่ได้อธิบายได้นิยามคำว่าวลีอย่างง่ายทีเดียววลีไม่เศร้าไม่กลัวใครอวลีเฉแบบนี้นะโอ้น่าสนใจใครอวลีเนี่ยใครอัลลีนอามนวกนูยัตตะกูนก็คือคนที่มีอม م ا นและมีตกวันเนี่ยที่ผมบอกตอนต้นนะว่าคำสั่งสอนของอิสลามนี่ไม่ซับซ้อน มายุงยาเอาละพอรู้แล้วนะสมมติว่ารู้แล้ววะลีนี่ก็คือคนดีสศรัทธาและเยีมเกรงคนที่อามาโนะกเหนือตะกูลมีความศรัทธามีความเยีมเกรงโอ้และความศรัทธานี่ในคุตตาอิอัลลอฮ์พูดถึงความศรัทธาเยอะแยะเ สแสดงง้อฉันต้องไปอ่านกุตัานทั้งหมดหันนี้ทั้งหมดจะได้รู้ว่าคุณสมบัติของความศรัทธานี่มีกี่เรื่องและตะกัายิ่งมาตะกวนี่โอ้โหตะกวนี่ก็มีเรื่องตะกวนี่กุตัานในหันนี้สมีเยอะแยะฉันจะต้องรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เลยจะได้เป็นวลีเปล่าเลยเ อ, อยาลไงอ่ะค่อยคยค่อยค่อ ย, อยเป็นค่อยคอยไป วันนี้ได้เรียนอาญาหนึ่งเกี่ยวกับอีมานเกี่ยวกับตะกวัวอย่างนี้อ่าเก็บสะสมไปอัลลอฮ์ไม่ดีเรื่งนีอัลลอฮ์ไม่ด้บอกกว่าที่ตอนนี้เลยอยากจะเป็นวน ต, อนตอนนี้เลยตอนนี้เลยต้องศึกษาคุณอ่านฮะดีษทั้งหมดเลยนั่นแล้วไปรวบรวมข้อมูลของอีมานของตะกววทั้งหมดเนี่ยแล้วต้องมาปฏิบัติด้วยนะจะได้เป็นวลีอ่ะตอนนี้เลยแล้วยังไม่มีหลักฐานเลยนะว่าคุณสมบัติของอีมานและตะกววที่มีในคุณอ่านฮะดิษเราต้องรวบรวมและปฏิบัติทั้งหมดถึงจะเป็นวลี ยังไม่มีหลักฐานยืนยันในเรื่องนี้อยังไงอ่ะนั่นหมายถึงว่าวลีมีโอกาสที่จะมีความบกพร่องแม้วลีเนี่ยเอกฉันเละอาลุซุนเนวัลจามายบอกว่าวีเนี่ยไม่ใช่ม้าซุมวลีเนี่ยไม่ใช่เป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นมนุษย์ที่ไม่ทําบาปเลยเหมือนนบีละอุซนะุนเนี่ยไม่ใช่วลีเนี่ยมีโอกาสที่จะบกพร่องมีโอกาสที่จะทําบาปมีโอกาสและยังเป็นวลีด้วยอะแสดงว่าเขาไม่ได้ ไม่ได้ปฏิบัติแบบแบบไม่มีรั่วเลยนะแบบไม่มีคือสนิทเลยครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างเนะี่ยไม่ใช่แต่อยากให้สรุปให้พวกเราเนี่ยได้ได้เข้าใจว่าความปราถนาของพวกเราทุกคนที่จะเป็นคนใกล้ชิดกับเราเป็นวัวลีเนี่ยที่สำคัญนะไม่มีใครสามารถยืนยันให้ตัวเองหรือสามารถ ยืนยันให้คนอื่นหรคนอื่นมายืนยันให้ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นวายีแล้วเพราะเรื่องความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์สุภานะวาดาระอย่างแน่นอนหมายถึงว่าร้อยเปอร์ซ็นะะมันเป็นเรื่องระหว่างเรากับอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์จะเป็นผู้ตัดสินซึ่งไม่มีใครสามารถยืนยันได้ในเรื่องนี้นอกจากที่มีตัวบทหลักฐานชัดเจนเลยนะว่าเขาเป็นวายีเช่น บรรดาอบเีและรัสูลเรื่องหลายนี่นเป็นวอรีแนะ่เป็นคนใกล้ชิดกับอัลลอฮ์แน่นอนบรรดาสามัญชนที่ไม่ใช่นบับีและรัสูลเนี่ยแต่นบียและรัสูลเนี่ยเขายืนยันว่าเป็นชาวสวรรค์อย่างซฮามบะสิบคนที่เป็นชาวสวรรค์ น, นั้นเป็นวนนอรีแน่นอนนบียยืนยันได้ว่าเป็นชาวสวรรค์นะนะถ้าคนอย่างเป็นชาวสวรรค์แล้วแล้วไม่เป็นวอรีแล้วใครจะเป็นวอรีล่ะนอกจากนั้น นอกจากนันไม่มีตัวบทหลักฐานยืนยันนะว่าคนนี้เนี่ยอัลลอฮฺจะตอบแทนเข้าสวรรค์นในวันเกียร์ไหมมายเนี่ยมีโอกาสจะเข้าสวรรค์มีโอกาสจะเข้านรกถ้ามีโอกาสห้าสิบห้า f i อย่างเงี้ยนะใครจะมายืนยันได้ตัวเองว่าเป็นวอลีหนึ่งไม่ได้ฉะนั้นไม่มีใครสามารถที่จะมาชี้ตัวเองนี่รู้จักไหมวอลีในวอลีในเขตบังกะปีเนี่ย วอลีในกรุงเทพมหานครนี่รู้ไม่เป็นใคร <laughs> นี่นี่ น, นี่ให้รู้ด้วยให้รู้ด้วยว่าคนที่ชี้ว่าตัวเองเป็นวอลีนี่นะนี่คือหลักฐานชัดเจนว่าไอ้มันนี่นะไม่ใช่วอลีให้รู้ด้วยเลยนี่เป็นสมมการตายตัวใครที่อ้างว่าตัวเองเป็นวอลนะีนั่นนั่นน่ะคือมไม่ใช่วอลีทาไมอะ คุณสมบัติสำคัญของผู้ผมีอ ي มานผู้มีตะวานี่คือถ่อมตนถ่อมตนต่ำตนศาสนาพุทธนี่เขาใช้คำต่ำตนให้ตัวเองนี่รู้สึกต่ำอย่าได้ทำตัวเองให้รู้สึกให้รู้สึกยะโสเหนือกว่าคนอื่นแต่ก็บดแต่คนนี่ชี้ว่าตัวเองเป็นวรลี ฟันทงมัวตัวเองเป็นวอรีมีมี ม, มีบางคนแบบเนี้ในปัจจุบันก็มีไอคนที่ชอบมาบ้านเราเนี่ยก็ชอบมาขีมา่ม้าชอบอะไรพวกเนี้ยนะแล้วเวลามาสลามชาวบ้านเนี่ก็สลามแบบนี้ไอตุ๊คนเราก็สลามธรรมดาเหมาือนกันนี่สลามแบบนี้คือสลามแบบนี้แสดงว่าคนต้องจับแบบนี้นะเพราะจับแบบนี้แล้วกาดึงมือจะได้กุดตุบ๊บใช่ปะ กดตุ้ไอ้สลามแบบนี้นี่สลามแบบนี้นี่นะมันเป็นการสลามแบบชาวฝรั่งเศสผู้หญิงในเวลาเขาสลามกับผู้ชายเนี่ยเขาทำแบบนี้เพราะผู้ชายเนี่ยต้องจับมือแล้วก็กดจุบไอ้ที่คนที่สลัมแบบนี้นี่นะฝรั่งเศสไม่ใช่มุสลิมมืนนะมให้รู้ไว้ให้รู้ไว้นบีเนี่ยซาฮาบ้านี่จูบมือแต่นบีไม่ได้สลมัมนบีสลัมเหมือนแต่ซาฮาบ้านี่เขาจะตั้งใจดึงมือนบีนแลว้วก็แลว้วก็จูบมือท่านนบี แต่ไม่ชเชิญชวนให้คนนี่มามามาจูบมือน่ะไอ้คนที่ชอบเนี่ยเชิญชวนให้จูบมือนี่นึกว่าตัวเองเป็นไข่เป็นวอลลีนะคนอื่นต้องจูบมือเพราะเขาจะได้บรารักัดเอาบรารักัดอ่ะไปไบรารักัดต้องการบรารักัดใช่ไหมต่อไปทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเป็นวอลลีถ้ามีคุณสมบัติสองประการ และนี่คือโอกาสที่กุรอ่านได้เปิดว่วเราไม่ต้องฟังใครนะหลักสูตรซูฟีหรือหลักสูตรอุลมามะใครก็ตามานะเรามีเรามีโอกาสที่มีอยู่ในกุรอ่านเนี่ยที่อัลลอฮ์บอกว่าอย่างชัดเจนและที่ความยากคือจะบิดความหมายยังไงมันก็ต้องได้ความหมายนี่แหละใครแยวลีนี่คือใครอลัลลอดีนะอนามะนุบกาลุย ต, ตะกูคนที่ซาตาละยมเกร และความศรัทธายามเกรงนี่เป็นเรื่องที่สามารถกระทาได้สําหรับคนทุกคนใช่ไหมใช่เอกฉันเลยไม่มีความขัดแย้งเลยพ่าเรื่องอิมารเรื่องตะกวา่าเนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถบรร ล, ลุบรร ล, ลุความเป็นผู้ศรัทธาความเป็นผู้ยาเกรงถ้าได้สองอย่างนี้ก็เป็นวลีแล้วไงเป็นอาลเลาะอุลลอะเป็นคนใกล้ชิดกับอัลลอฮ์สุบฮานะอวดาคนที่เป็นคนใกล้ชิดกับอัลลอฮ์สุบฮานะอวดาแล้วไม่ใช่ว่าจะศรัทธาก็แล้วจะตะกวาก็แล้ว แล้วจะไม่มีสัญญาณอะไรบ่งชี้ว่าเขากําลังอยู่ระหว่างความเป็นคนใกล้ชิดกับเราสุภานวดาล่ะเลยก็ไม่ใช่เพราะอย่างนั้นก็ไม่มีกําลังใจถึงแม้ว่าเขาจะถ่อมตนถึงแม้ว่าเขาจะปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เป็นวัวลีหรอกเขาเป็นคนเลวร้ายเขาเป็นคนหน้ากระทืบเขาาจะเป็นคนเขาจะถ่อมตนนะคนอย่างผมนี่นะกระทืบดีกว่าอย่ามาเชื่อว่าเป็นวัวลีคนหน้าเอาหินมาคว้างดีกว่าแต่อก่อนนั้นนะ่ะ อุลมาที่เขามีความเป็นแล้วก็ที่คนเขาเขาคาดการว่าเขาน่าจะเป็นวอลีนะคำพูดของเขานี่ก็จะเป็นแบบนี้ผมนี่นาน่าจะกระทืบดีกว่าเอาหินมาคว้างข้ามาเจ้าดีกว่าถึงจะพูดแบบนี้นะนะแต่เขาก็มีมีกําลังใจไงต้องมีกําลังใจกําลังใจมาจากไหนก็มาจากอัลลอฮ์เหมือนกันละหุมุลบุชรอละหุมุลบุชรอในชีติตนี้และในโลรหะ้า ลาตบดีลลิคำว่าตอัลลฮ ذلك هو الفوز العظيم สหรับพวกเขาคือใครวลีสาหรับพวกเขาแล้วเนี่ยบดาวลีที่ศรัทธาต่อและย่เกรงต่อ a แล้วมุล بشرا สำหรับพวกเขาจะได้รับข่าวดีบุชรข่าวดีในินล ในการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้และในโลกหน้าข่าวดีในชีวิตนี้เดี๋ยวจะอธิบายให้ข่าวดีในโลกหน้าอันนี้เคยอธิบายไปแล้วข่าวดีในชีวิตนี้เดี๋ยวมีนะเดี๋ยวจะอธิบายนะเอาข่าวดีในโลกหน้าก่อนในคุรอ้อนเนียลลอฮ์บอกอินนัลลัตน่กาลูรับบุนัลลอฮฺ แท ي ي, ahu, um ้จร il ิงบรรดาผู Band ้ที่กล่าวว่าองค์พระผู้อภิบาลของเราเนี่คืออัลลอฮฺตุมมัสตะกอมูและเขายืนหยัดในวาจานี้ยืนหยัดยืนหยัดในลาอิละฮ์อิลลัลลอฮมุฮัมมัดุลยืนหยัดในคำสั่งสอนของพระเจ้านี้แต่แต่เนซลุอาลัยฮิมุลมาเลกะบรรดาชีวิตของเขานี่บรรดามาเลก้จะเสด็จลงมามาเลก้ที่จะมาอาวิญญาณมาเลก้ที่จะรับเสด็จวิญญาณของเขา อันแรกจะขอฟัวแล้วะหาสนุนอีกสู้เจ้าอย่ากลัวอย่าเศร้าเหมือนกันเลยนี่ถ้าเราเอาอายันนี้มามามาประกบกับอายันเนี้ยแสดงว่าวลีของอัลลอฮ์นี่ที่เป็นผู้ศรัทธาทียมเกรงต่ออัลลอฮ์และกาวว่าวรีของอัลลอฮ์นี่คือกาวว่าอัลลอ์เป็นพระเจ้าของเรานะแลวเขายืนยัดตามนั้นนะมากนี่ จะมาแจ้งข่าวดีแจ้งข่าวดีกับเขาในโลกนี้นะในโลกนี้เนะขาอย่างอันนี้ยังไม่ตายนะเกี่ยวกับโลกหนะ้อลลาอลาตะขอฟวัว ล, ลตาตะฮะเนเดี๋ยวตายแล้วไม่ต้องกลัวเขายังไม่ตายนะตายแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องเศร้าว่อบชิรูบิลเันนีอบชิรูนี่อบชิรูพึงทราบข่าวดีนี่ หลหุมุลบุษรบาบอางคนหลุมูลบุษราจะได้ขา่าวจะได้รับข่าวดีข่าวดีจะใครอะเมลักะไม่ได้รับข่าวดีข้อความ1 000นบาทอะไรพวกนี้ข่าวดีตื่นเช้าอ่านหนังสือข่าวดีหนูแจก1 000งข่าวดี เขากำลังรอข่าวหนูแจกหนึ่งมือนบาทนี่ข่าวดีอเบชิรูบิลจนนะเพิ่งทราบเถิดข่าวดีซึ่งสวนสวรรค์ยังไม่ตายนะคนยังไม่ตายเนะแต่อาจจะป่วยอาจจะอยู่ในห้องไอซอาจจะถูกรถชนเลือดไหลน้องเลือดกระดูก คือใกล้ะละแล้วตอนนั้นมันก็ไอ้สภาพที่คนกำลังมองเห็นนี่นะนาอนาดเลวเกินแต่ระหว่างเขากับอัลลอฮ์นี่มีมล า, ายกากำลังมาแจ้งข่าวดีอับชิรเบลจันนติละตีกุนตุมตัวอดุนสวรรค์ที่อัลลอะ์เคยสัญญาไว้พึงทราบเถิดมันเป็นเรื่องจริงที่อัลลอฮ์จะให้นี่คือข่าวดีในโลกหน้าและในโลกนี้ละ่ะ ในโลกนี้เนี่ยมีข่าวดีสองประการประการแรกนี่ข่าวดีที่อัลลอ์ให้มาสำหรับผู้ศรัทธาที่มีความยื่เกรงต่ออัลลอ์นี่คือรุยาการฝันที่มาจากอัลลอส์บ ب า ا ละก็ตานในในภาษาไทยอะนะฝันนี่ก็คือฝัน ฝันถ้าดีเขาก็เรียกว่าฝันดีถ้าฝันไม่ดีก็คือฝันฝันร้ายแต่สุดท้ายทั้งสองนี่มันก็คือฝันแต่ใน า, างหลกักการศาสนาอิสลามนี่ไม่ใช่แยกเลยนะแยกชื่อเลยเนะี่ยมันคนละชื่อกันเลยถ้าคุณสมบัติของฝันเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติ ของเนื้อหาที่มาจากอัลลอฮฺสุบฮานาอูตะลาเป็นเนื้อหาภาพที่เราได้เห็นเอ่อภาพที่เราได้เห็นคําพูดวาจาที่เราได้ยินในฝันนะ่ะนะถ้าสนิทฐานได้ว่ามันมาจากอัลลอฮฺสุบฮานาอูตะลาเนี่ยเราจะเรียกกันว่ารุกยารุกยารุรอรุกยา อา ร, รุกยาไม่ใช่รุกอันไรนรุกยาอานป่าวนี่นะรุกยาราอุกอรุกแลกยาอารุกยายากนะเชคช่วยอธิบายทำนายรุกยาให้หน่อยไม่คือไม่ต้องใช้ภาษาลาไปล ช่วยทำนายฝันนี้หน่อยมังเด็ดเผมจะได้ไม่ต้งไม่ต้องสับสนไม่ต้องสับสนกับท่านเลยแยกนะเหมือนมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะพี่น้องก็มุฮัจรินกับมุญาฮีดีนโอ้นี่ใครเป็นใครนี่คมมึนไปหมดเลยนี่มุฮัจรีนกับมุญาฮดีนนะไม่เป็นไรคือเราอย่าไปซีเรียสนะ เออบางทีกเฮ้ยเราเราต้องช่วยพี่น้องมุวรจีรินของเราไม่ใช่มัวรจีมุไจรินอานั่ละินเราไม่ต้องเซเรียสเลยเราไม่ใชอดับนี้แ้วถ้าเราไปพลาดแล้วก็ยิ่งคำที่มันคล้ายๆกันเนี่ยไม่ต้องซีเรียสรุ่ยยฝันรุ่ยรุกยรุกยยรุยยที่จงมันกอบนะรุกยยแต่ภาษาไทยไม่มีกอบเนี่ยเราก็ใช้กอไก่ไปเลยใช่ไหม และมีรุกีะรุกะไม่ใช่รุกี้นะรุกี้ะนี่แทนยออานิก็ยอยาไปเลยรุกีะรุกีะรุกี้ะเหมือนรุกีะนั่นเลยรุกะรุยีะนี่คือมองเห็นมองเห็นรุกี้ะนี่คือมองเห็นตอนตื่นน่ะเด็กว่ารุกี้ะแต่ถ้าเห็นตอนนอนน่ะนะเขาจะเรียกกันรุกี้ะ ถ้ามาจาก a l l a นี่เรียกว่ารุยาถ้ามาจากชัยตอนน่ะถ้ามาจากชัยตอนน่ะเขาเรียกกันฮุลมฮุลมฮุลมฮามีมฮุลมแสดงว่ามีฝันที่มาจาก Allah มีฝันที่มาจากชัยตอนและมีฝันที่มาจากตัวเองฝันที่มาจากตัวเอง ไถ่ายติ๊กตอกนี่เห็นแต่พิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าอู้อยากกินพิซซ่าโดยเฉพาะตอนไถก่อนนอนน่ะนะอยากกินพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าเนี่ยก็นอนคาที่เลยนะติ๊กต็อกอยู่ในมือนี่ยนอนคาที่นะชี้ถึงพิซซ่าเนี่ยพอนอนละฝันฝันเนี่ยกำลังกินพิซซ่าโอ้ฝันเป็นตัวเป็นตาในเรื่องเวลากินพิซซ่ามีใส่นุ่งนอนใจนี่เนี่ยตื่นมาเช็คผมฝันว่ากินพิซซ่าหมายความว่าอะไร อันนี้เขาเรียกงการ حديث น فس ไม่ใช่รุ่ยาแล้วก็ไม่ใช่ ح ล م ไม่ใช่สิ่งที่มาจาก Allah ไม่ใช่สิ่งที่มาจากชตตอนมาจากตัวเราตัวเราแล้วเราจะรู้ยังไงอ่ะสังเกตได้เลยนะอันนี้เป็นอันนี้เป็นเครื่องหมายข้าวๆนะสิ่งที่เราได้เห็นชัดเจนและมีรายละเอียดชัดเจนมาก แล้วเหมือนมีสารอะไรที่อะไรอะไรอยากจะบอกในในในฝันเนี่ยมันมีอ่ะมีอะไรอยู่เบื้องหลังอะ่ะมันมันไม่ใช่แค่นี้่มันมันเป็นความรู้สึกอะ่ะแต่สั ญ, ญลักษณ์ของรุยานี่ว่าว่าชัด H D บางคนเนี่ยนอนฝันทุกฝันทุกวันเลยนะตื่นมานี่ลืมหมดแล้วแต่รุยานี่ไม่ลืมลืไม่ได้รุยานี่จะจำแม่นล แล้วก็จำอยากจะจำขนาดรายละเอียด น, นะแล้วก็ผมพีบอกเขาแล้วเขาก็บอกกับผมผมก็ตอบกับเขาก็ตกกลงบางคนเนี่ยมาเล่ารุเล่าฝันนี่นะผมอยากจะมั่นใจว่าโอ้ยเขาฝันจริงเรารุ่ยาจริงเรืร่องบอกว่าเล่าอีกทีหนึ่งเล่าแม่นเลยอะเหมือนดูหนังมาสี่สิบรอบอะไรเงี้ยแม่นเลยนี่นี่คือสัญญาณอย่างหนึ่งว่านี่คือรุ่ยาแล้วเหมือนจะมีอะไรอละไรอยากจะบอกอะไรสักอย่างรุ่ยยา ถ้าเป็นหอุมสิ่งที่มาจากเชตตอนนี่สั ญ, ญลักษณ์ชัเจนของมันเนี่ยอยากให้เรากลัวบันทอนกาลังใจอยากให้เราเศร้า อ, อยากให้เรากลัวอยากให้เราไม่มีความหวังนี่คือสัญญาณของฝันที่มาจากมาจากเชตตอนหรืออาจจะเป็นเรื่องเลอะเทอะอะไรเลอะเทอะอะไรที่แบบว่าไม่มีความหมายอะไรที่น่ากลัวอะไรที่มันเป็น เป็นเรื่องที่ไม่น่าเล่ามาจากเชตอนฮาดีซุนนักสิ่งที่มาจากตัวเองก็เช่นเดียวกันเป็นเรื่องที่ตอบซึ่งส่วนมากคนที่จะทำนายฝันนี่เขาไม่รู้หรอกคนที่ฝันนี่เขารู้ว่าเรื่องนี้นี่มาจากตัวเองเรื่องนี้นี่นะตัวเองอยากได้อยู่แล้วตัวเองไฝ่ฝันมาแล้วมันก็ฝันไงแล้วก็ใฝ่ฝันมาแล้วมันก็ต้องฝันทพยายามที่จะได้ มีความมุ่งมั่นที่จะได้แล้วมันฝันได้เจอจริงๆมันก็อาจจะเป็นหะดีสุนนฟฝันนี่ส่วนมากถ้าเป็นรุกยามาจากอัลลอ์เนี่ยจะฝันช่วงสุบบช่วงท้ายๆของกลางคืนอุลมามะได้บอกว่าเพราะเป็นช่วงที่อ AH ัลลอ์ทรงสเสด็จลงมาก็อาจจะเป็นเรื่องที่อ AH ัลลอฮ์ س าน ا ن ดาละทรง ประทานให้เป็นกำลังใจช่วงที่พระ อ, องค์ทรงเสด็จลงมาขนาดนั้นเลยใช่รุยานี่มีความศักดิ์สิทธิ์มากเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของสี่สบส่วนของความเป็นนบีจะได้เป็นนบีนะจะได้เป็นนบีนะมีสี่สคุณสมบัติหนึ่งในนั้นนะ่ะก็คือเห็นรุยาชัดๆเลย Allah ให้เห็นอะไรชัดๆแล้วมันจะเกิดขึ้นตามนั้นะ น, นี่รุยาท่านนาบี มหามะฮ์ม์สลลัลอะไรมันก็เคยมีแบบนี้ก่อนที่จะเป็นนบีนะท่านจะฝันอะไรนี่นะเห็นปรากฏอีกวันหนึ h, ่งปรากฏชัดเลยเกิดขึ้นชัดกริงเลยจะได้เป็นนบีเนี่ยต้องมีทั้งสี่สิบอย่างแต่ไม่มีละไม่มีละใครจะเป็นนบีไม่มีละแต่ Allah ยังให้มีอะไรที่ยังเหลืออยู่นี่ก็คือเรื่องนี้ดัง h a d i t ที่ท่านนบีสุลลัลละฮ์อะลัยฮุสเซลัมได้บอกไว้ว่า h a d i t บรรทุกมา ابن أبي شيبة ف إ م ا م أحمد الإمام ترمذي لك به و من حديث صحيح ا إ م ا م ابن مردو مردوية ا م ر د و ي ة عن أنس قال كان أنس ابن مالك لعواء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت سان فيما ج ا ل الله ينبدى ن ب ي ل الرسول نيا تقطع ไปแล م ا ي ي ي ي ความเป็นนบีความเป็นรัชชูเนี่ยอันที่จะเป็นเหตุผลให้อัลลอฮ์ได้ส่งคำสั่งสอนวายูผ่านจิบรีลไปยังบรรดาในรัชชูเนี่อินกตาฮถูกตัดขาดไปแล้วไม่มีแล้ว ف ل ร رسول بعدي نبي บอกว่า فلا رسول بعدي ولا نبيون ไม่มีรัชชูไม่มีนบีหลังจากฉันนี่ไม่มีกแล้ว و ล ك ن المبشرات ไม่มีนบีไม่มีรัชชู แต่เทวะมีนิง ولكن المبشرات قالوا يا رسول الله خ ดฮะ م ر س و อ ي مل مبشرات أرأيكم مبشراتني ؟ท่าน نبي เดบบอกว่า ر ؤ ญ ا เนี่ย رؤيا เนี่ยเนี่ย رؤيان ะโอันอย่างไี้นี่ย ر อัลมุสล ل م การมุสลิมเนี่ยด้เห็นรุ่ยาฟันรุยาเนนบะบรุยานี่ยือจุ้ยอุนในอจเจ้าอินนบุบะมันเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นนบีที่ยังเหลืออยู่แต่มันไม่เพียงพอที่จะทำให้คนที่เห็นรุยานี่ได้เป็นนบีแต่อย่างใดมันแค่เป็นส่วนหนึ่งเหมือนคนมีคุณสมบัติมีมารายาทของท่านนาบีมารายาทหนึ่ง ไม่ได้ทำให้เขาจะต้องมีมารยาทเหมือนนบีจะต้องเป็นนบีเหมือนนั้นเพีแค่คุณสมบัติเดียวแต่ฮะดีสที่ชัดเจนเกีคือแบบไอ้นี้ว่าที่อัลลอฮ์บอกว่าเหลือมุลบุชรอฟิล h ย y a t ا ดุ ن ي ر เขาจะได้ข่าวดีในโลกนี้นี่นะอันนี้ระบอว่าเนีฮะดีสนี้ชัดเจนบันทึกโดยอิหม่ามอิหม่ามสะยิดอับนุมันซูร์เขาไม่นั่งสืบชีอัลสุนันอิหม่ามสะยิดอับนูมันซูร وابن أبي شيبة وأحمر والترمذي وحسن والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وأبن جرير و ا ب ن المنذر و ا ب ن أبي حاتم وأبو الشيخ و ا ب ن م ر د و ي والبيهقي في شعب ا ل ي عن عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر عطاء بن يسار بن ت ا ب ع ي ن ب ا ل นลูกศิของ أبو الدرداء เขาบ ا กชาว ي ب คน رجل من أهل مصر قال سألت أبو الدرداء การกล่าวลข้าพเจ้าชาวอิบคนเนี้ยได้ถามอบดเดรดเกี่ยวกับอายะที่ Allah ได้บอกว่าละหูมุลบุชร่าในชีวิต الدنيا แลในโลกหน้า فقال أ ب د َّ ر َ د َ ع َ ب ِ ي ط م ا س َ ه أ ح َ د م ِ ذ س َ أ ل ت ُ رَسُولَ ا ل ل َ ه ص ى ا ل ل ه ع ل ي ه ِ و َ س َ ل ได้ถามข้าพเจ้าตั้งแต่ข้าพเจ้าถามท่านนบีในเรื่องนี้ในอายะนี้ ที่ท่านกำลังถามเนี่ยไม่เคยมีใครมาถามท่านเลยยังเพ่อกับอบุดรดาไม่ได้สอนเรื่องนี้กับใครเลยนอกจากคนนี้มาถามท่านนะ่ะไม่ใช่เขาอาจจะเล่าเรื่องนี้แล้วก็สอนเรื่องนี้แต่เล่าโดยที่ยังไม่มีใครถามแต่พอมีคนมาถามเนี่ยอเขาอยากจะบอกว่าเออท่านนี่ เหมือนฉันเลยนะพราะมีอีกรายงานหนึ่งว่าอับดุลดอเนได้ถามท่าทนนบนะีนะแล้วท่านนบีก็บอกว่ายังไม่มีใครถามฉันเลยในเรื่องนี้ว่าอายะนี่หมายถึงว่าอะยรท่าน น, นะทนนานบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาล լ ัมก็ได้ตอบอบดุดอเนยเฮรู้ยอัศลิ حة ฮียรู้ยาอัลศลิ حة ข่าวดีในโลกนี้เนี่ยก็คือรุยาฝันที่เป็นรุยาที่ดีอย่รอฮะมุสลิมอมุสลิมเนี่ยจะฝันจะเห็นเอาตุรอละหูเขาไม่ได้ฝันเองเนี่ยแต่มีคนฝันเห็นให้ฝันให้มีคนฝันฝันว่าท่านผมฝันว่าท่านเนี่ยขี่ม้า ก, กับท่านนาบีและกำลังไปสู้รบ ฝันเห็ น, นว่าท่านกำลังนั่งอยู่กับมิลิสท่านในบีกำลังสอนแล้วก็ท่านกำลังเรียนรู้กับท่านนบีอะไรแบบเนี้ยเขาไม่ได้ฝันเองนะมีคนอื่นฝันให้เต่าตุรอละหูเฟียบุชรอหูฟิลฮัย ด, ดุนยานนี่คือบุชรอคือข่าวดีให้เข้าในโลกนี้เป็นกำลังใจมหาศาลเลยถ้าได้ฝันอะไรแบบนี้หรือมีคนฝันให้ อุลามาก็จะได้รับการฝันอะไรแบบเนี้ไม่ได้ฝันเองนะคนอื่นเขาฝันให้เช่นมีเรื่องของเช็กแอลบานีเนี่ยเขากําลังนั่งอยู่นั่งอยู่แต่ก่อนนู้นยุคของเช็กแอลบานีเนี่ยก็ยุคอัฐเทพกันนะก็นั่งมัจลิสนี่แล้วก็เขาถามเช็กแอลบานีแล้วก็อัเทพในขณะที่เขานั่งอยู่กับท่านเช็กแลบเนียเช่นน้นก็กำลังสอนอยู่ก็มีโทรศัพท์ ปกติก็จะมีโทรศัพท์มีโทรศัพท์เบอร์หนึ่งเนี่ยไว้คนคนถามไงเวลาคนถามนี่เช็กันบปนี้จะตอบใช่ไหมเขาก็อัิบายอยู่ในช่วงขอเช็กอินนี้เขาจะกำหนดเวลาหนึ่งแต่เวลานี้ถึงเวลานี้เนะี่ยให้ใครอยากจะมาถามอยากจะมาเรียนรู้เนะ น, นี่ยมาต่อกรณ์นู้นเขาจะเขาจะสอนที่บ้านที่จอดแดนนุแนแต่ขณะที่เขามีมีโทรศัพท์เข้ามามีคนมาถามแล้วเขาก็จะเปิดสปิกอร์เปิดโฟนน่ะผู้หญิง เป็นคนโทรมาบอกว่าไม่ได้โทรมาถามแต่ได้เห็นรุยาก็มาเล่าให้ท่านฟังได้เห็นท่านนาบีกําลังเดินเดินอยู่และท่านเนี่ยเดินตามเดินตามท่านนาบีนบีเดินอยู่แล้เห็นท่านเนี่ยเดินเดินอยู่ข้างหลังเนี่ยเดินตามท่านนาบี ในมันจลิสนี่ก็เลยนิ่งนิ่งจนได้ยินเสียงร้องไห้ของเชกลบานีเชกลบานีก็เลยวางหูแล้วก็บอกว่าอา้าวทุกคนกลับบ้านเลยแล้ะคือเหมือนท่านได้ได้ข่าวดีแบบนี้มันมันตื้นตันแกมันเป็นสุดยอดของกำลังใจที่เขาได้ต่อสู้มาตลอดชีวิตเนี่ยเพื่อ ทำหน้ า, นาที่รับชาหารีสุงต์ น, น่บอย่างเดียวนะเช่นกันบานีนะอย่างเดียวละชีวิตของเขานี่ไม่ได้ใช้ในการดิ้นรนทรมาหากินหารายได้จะได้เป็นคนร่ำรวยก็ได้ไปศึกษาวิชาชีพซ่อมนาฬิกาแล้วก็ไปเช่าร้านจะได้ซ่อมนาฬิกา ไม่ทํางานทั้งวันนะทำงานแค่สี่ชั่วโมงเปิดร้านนี่สี่ชั่วโมงทําไมอย่างเขาบอกว่าได้ลูกค้าเพียงพอจะได้เลี้ยงตัวเองและก็เลี้ยงครอบครัวได้พอแล้วเวลาที่เหลือเนี่ยเวลาที่เหลือนี่อยู่ในห้องสมุดจอเฮริยะเนี่ยทั้งวันทั้งคืนเลยอ่านหนังสือจดหนังสือเขียนหนังสือเกี่ยวกับฮาดีสิ่งเดียวตลอดชีวิตเนี่ยอยู่กับฮารีสุนทรบดีตัวสอบฮารีสุนทนบดี ถ้ามีฝันแบบนี้เนี่ยรุยาแบบนี้เนี่ยโอ้มันช่างเป็นกําลังใจมหาศาลเลยสําหรับสําหรับเขาเอาตูรอแล้วอุย้ยนบีบอกว่าหรือมีคนอื่นจะเห็นให้จะฝันเห็นไห้นั่นหมายรวมว่าคนที่จะเป็นอวลีและจะได้ข่าวดีเนี่ยไม่จําเป็นต้องฝันเองก็ได้คนอื่นก็จะฝันให้ก็ได้แตนน่เนื้อหาของฝันเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเขาไม่เกี่ยวกับคนที่ฝันเนี่ยเป็นไปได้ แล้วเป็นไปได้ว่าคนนี้จะฝันนี่นะอาจจะไม่ใช่มุสลิมอาจจะไม่ใช่อุษาเลยก็ได้แต่คนนี้ไม่ใช่มุสลิมเลยเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเห็นรุยาจะฝันรุยามาจากอัลลอฮ์เพราะอะไรเนี่ยเพราะฝันของเขาเนี่ยมีประโยชน์สําหรับมนุษยชาติเหมือนกษัตริย์ของอียิปที่ฝันกษัตริย์อียิปนี่ไม่ใช่มุสลิมฝันรุยานี่แล้วก็ให้ท่านนาบียูซุฟนี่ยทำนายให้ พระก็ด้วยการทานายของฝันกษัตริย์ของของอียิปต์นี่นะทำให้เกิดประโยชน์สำหรับวงชนทั้งหลายในในประเทศอียิปต์ในยามแห้งแลง้งที่ไม่มีฝนตกมันเป็นประโยชน์คนที่มป่นยิมุสลิมเนี่ยอาจจะฝันเห็นรุยาได้บางคนนี่ฝันและรุ่ยาของเขาเนี่ยอาจจะเป็นการเชิญชวนให้รับอิสลามด้วย เหมือนผู้หญิงคนหนึ่งฝันตลอดทุกวันเนี่ยจะฝันอาคารสีดำดำอาคารสีนู่นน่ะนานนะั่นน่ะเป็นเกือบห้าสิบปีแล้วอะยังไม่มีอินเทอร์เน็ตยังไม่มีอะไรอาคารดำดำแล้วก็มีคนเดินรอบรอบอาคารนี้เขาก็ไปเล่าให้พ่อฟังนีพวกคนอเมริกาเนี่ยเขาไม่เคยไม่เคยสนใจเรื่องอิสลามเลยแล้วเขาไม่เคยเห็นเรื่องนี้นะอะไรอาคารดำดำแล้วก็มีคนเดินรอบๆอบอาคารนี้ ลูกสาวนี่ก็บอกตลอดนี่นี่ฝันเรื่องนี้แล้วก็อะไร é? อย่างไร é? อ่าคารดําแบบนี้้ก็เล่าให้พ่อฟังแต่ฝันทุกวันน่ะพ่อก็พ่อก็กังวลเหมือนกันอะลูกสาวนี่ฝันอะไรแปลกๆก็เลยไปเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังเนี่ย อ, อาคารดําๆมีใครรู้ไหมอะไรอาคารดําๆอยู่ไอ้นี่ป้าวิคานเนีน่ยพวกมุสลิมเนี่ยเขามีอาคารดำๆอยู่อยู่ทะเลซ้ายนู่นน่ะเขาเขาแล้วเขาเอารูปมาให้ดู เขาก็เอารูปนี้ไปให้ลูกสาวดูนี่ใช่นี่ก็ใช่เลยเนี่ยเป็นเหตุที่ทําให้ลูกสาวคนนี้เริ่มศึกษาอิสลามที่สุดในการอิสลามรุยามาจาก a l l เ h อะไรแบบนี้ี่มีเยอะนะอะไรแบบนี้นี่มีเยอะเป็นทางนาที่ Allah สุภาพนาวาดาละอาจจะให้คนได้ฝันรุยาบางอย่างเป็นทางนําในชีวิตของเขาในการแก้ไขปัญหาบางบางเรื่องมาจาก Allah ฝันนี้อาจจะเป็นหนทางหนึ่งที่อัลลอฮฺจะให้ปรากฏกับผู้ศรัทธาที่ละหมาดอิสติฮาระหนทางหนึ่งฟังให้ดีนะไม่ใช่หนทางเดียวไม่ใช่ละหมาดอิสติฮาระเนนอนทำไมนอนน่รอฝันน่ยดูอิสติฮาระนี่ต้องรอฝันอย่างเดียวแล้วไม่ขยับไปไหนเลย เชคผมจะหมายิครอยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะคุณศิคราลนี่กูศิคราลเป็นหมอดูลหรน บ, บีบอกว่าศิคราลลงมือทําเลยแต่อาจจะมีรุ่ยานี่ที่เป็นบุชรอเป็นข่าวดีให้เราเนี่ว่าเออที่เราลงมือทํานี่นะมันดีแต่ไม่ได้หมายรวมว่าศิคราลน่าจะต้องรอรอให้ฝันให้เห็นนะ ว่าผลของอิสซิคอร์เป็นยังไ ง, ไงนนะี่ไม่ใช่นี่นะมีไม่ได้หมายถึงอะ้รและและไม่มีอะไรบ่งบอกเรื่องรุ่ยยาเรื่องฝันหลังอิสซิคอร์นี่ไม่มีหลักฐานอะไรแบบนี้เลยแต่มันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นเครื่องหมายสัญญาณอะไรบางอย่างตอนที่เราลงมือทําหลังอิสซิขอรอเช่นอิสซิขอร์เสร็จแล้วเข้าใจอิสซิคอร์กันใช่ไหมไม่ต้องอธิบายนะอิสซิคอร์เข้าใจนอิสซิคอร์ อิสติคอร์เสร็จแล้วละมาอิสติขอร์เสร็จแล้วลงมือทําเอ๊ะไอเรื่องที่เรานึกว่ามันไม่น่าจะได้นะปรากฏว่าปุ huh. ๊บปุ๊บปุบปุ๊บราบรื่นเลยอันนี้แสดงว่าสัญ ญ, ญาณว่าอัลลอฮ์เลือกแล้วว่าอันนี้เนี่ยน่าจะดีกว่าแต่บางเรื่องที่เราอยากได้เหลือเกินแล้วก mm ็นึกว่ามันจะราบร Lastly, ื่นนะนะพออิสติขอร์เลยทํำนี่เดียก็เรื่องนี้ก็มาเดียก็เรื่องนี้ก็เป็นเงื่อนไขเดียก็นี่ก็ยุ่งอุดกว่าจะทํานี่ทํำไมมันยุ่งยากอะ เนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณว่าถอยๆถอ ย, ถอ ย, ถอ ย, ถอยมาตั้งหลักก่อนเรื่องมันยุ่งยากกันะพอลงมือทําหลังอิสคอลรันเนี่ยลงมือทําเนี่ยมันยุ่งยากแล้ว ก, ก, ก็นู่นเดีวก็นี่เดก็นั่นอย่างนั้นถอยก่อนพราะเหมือนเป็นสัญญาณว่าเรื่องนี้นี่นะไม่ดีเราไม่อยากให้ทำเนี่ยแบบเนี้ยใช่ทําไมเพราะในดูอาเนี่ยดูอาอิสคอลรันเนี่ยถ้าเป็นเรื่องดีเนี่ฝากดูรูลีวยเซรุถ้าเป็นเรื่องดีนี่นะ ได้โปรดกำหนดให้เป็นเรื่องดีสําหรับข้าพเจ้าว wi so, ่าย uh ีสือหูและโปรดอำนวยความสะดวกให้มันเยี่ยเสือะไรเป็นเรื่องง่ายสําหรับข้าพเจ้าแล้วจะเป็นเรื่องไม่ดีล่ะฟาซริฟหัวอันนี้ฟาซริฟนีอันหูได้โปรดให้มันห่างไกลจากฉันและก็ให้ข้าพเจ้าเนี่ยห่างไกลจากมันนี่ไงนี่ไงสัญญาณมันอยู่ตรงนี้ไงพอเราจะเข้าใกล้มันมันก็ไปมันก็มันก็ยิ่งยากมันก็ยิ่งห่างไปอีก พอเราอยู่เฉยๆมันจะมาเนี่ยพอมันจะมาแล้วเนี่ยไอ้เราก็อยู่อยู่ดีกันหนีไปห่างจากมันเนี่ยสัญญาณว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ดีอย่าไปยุ่งกับมันถอยดีกว่านี่สิครับรุยาเนี่ยอาจจะมาอาจจะมาสมทบเป็นข่าวดีให้เราก็ได้ว่าเรื่องนี้ดีหรือไม่ดีนี่มีรุยามีฝันที่อัลลอฮฺสุภาโนอาจะช่วยอันนี้ในโลกดุนยาในทางดุนยาแะบุชราห์ในลอาครีตินี่และเมื่อบีบกว่าสมมุติ ข่าวดีของเขาในในโลกหน้านี่คืออลัลเลนนะ่ะข่าวดีว่าเขาจะเข้าสวรรค์ข่าวดีนึกในในฝันก็ได้ในรุยาก็ได้ข่าวดีว่าจะเข้าสวรรค์ในฝันนะ่ะไอ้ที่ข่าวดีบั้นปลายชีวิตก่อนตายว่าจะเข้าสวรรค์นี่เนะี่ยอันนี้นี่อันนี้เม็กซ์เอเก็ เพราะอะไรเพราะตอลอดชีวิตนี่ทําแต่เรืดีมีมาอะไราก็มาแจ้งอันนี้เก็ตมีหลักฐานด้วยแต่ฝันว่าจะเข้าสวรรค์ลูกยาไในเข้าสวรรค์นี่นูน่นในยังจะตายอีกกี่สิบปีเลยแต่อัลลอฮ์แจ้งข่าวล่วงหน้าไว้แล้วเนี่ยว่าจะเข้าสวรรค์เนี่ยโอ้โหข่าวดีข่าวดีมากเลยไม่ต้องละหมาดแล้วไม่ต้องถือสิ้นอดแล้ว เป็นไปไม่ได้หรอกที่อัลลอฮ์จะแจ้งข่าวดีกับคนประเภทนี้ไอ้คนประเภทนี้นี่นะเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นชาวสวรรค์ชาวสวรรค์เนี่ยต้องเป็นคนที่ขอบคุณกรตันยูต่ออัลลอฮ์นบีเนี่เป็นชาวสวรรค์ไม่มีบาปเลยยืนระบาดกลางคืนทุกคืนจนเลือดไหลแต่ข่าวของท่านนี่ถ้านยังไงใช่ยังแปลกใจว่าท่านเนี่ยเป็นชาวสวรรค์แล้วอัลลอฮ์ไม่ให้ท่านมีบาปแล้วทาไมต้องทําขนาดนั้น นบีก็บอกว่าอะเฟลกูนัอับเดนชะกูถ้าถ้าเป็นแบบนั้นจริงนี่นะควรที่จะเป็นเบาที่กระตันยูที่ขอบคุณไหมละ่ะฉะนั้นถ้าประเพทที่อัลลอ์จะแจ้งข่าวดีว่าเขาเป็นชาวสวรรค์นเนี่ยในฝันนะนะแสดงว่าเขาจะไม่ทิ้งละหมาดแน่นอนถ้าเป็นจริงนะใฝันนั้นเป็นจริงนะเขาจะไม่ทิ้งละหมาดแน่นอนเขาจะยิ่งทำอบาดะทาความดีมากกว่าเดิมอีก มากกว่าเดิมทำไมขอบคุณนะ่ะขอบคุณที่อลัลลอฮได้แจ้งล่วงหน้าว่าเขาจะเป็นชาวสวรรนคะ์น่ะและไม่แน่ไม่แน่นะครับคนที่จะถูกแจ้งข่าวดีว่าเป็นชาวสวรรนคะ์นี่น่ะมันเท่ากับอาจจะมีข้อเตือนในข่าวดีนี้ด้วยชาวสวรรค์ต้องถูกทดสอบหนักบางทีเนี่ยคนฝันว่าเขาเข้าสวรรค์ ฝันว่าสวรรค์ไมว่าอะไรอ่ะชิเข้าสวรรค์นี่ก็หวางที่งวดจะเจอบททดสอบเป็ น, ปนยังไงอ่ะสวรรค์นี่มันน่าจะมันน่าจะสุขสบายไม่เถอะทำไมทำไมทำนายว่าถูกทดสอบใช่ดิชาวสวรรค์เนี่ยต้องเป็นคนที่ถูกทดสอบถ้าฝันว่าจะเข้าสวรรค์นี่แสดงว่าจะเจอบททดสอบคือฝันบางบางอย่าง น, นนะคนคนเขา เข้าใจว่าเออฝันฝันมันก็ต้องตามนั้นน่ะฝันว่ามีริสกีฝันว่ามีเรื่องดี อ, อาจจะไม่ใช่เรื่องดีก็ได้อาจจะไม่ใช่เรื่องดีก็ได้เรื่องฝันนี่ความรู้เกี่ยวกับการทำนายฝันเนี่ยมันเป็นความรู้ที่กว้างขวางเป็นความรู้ที่อัลลอฮฺได้ให้ให้ระดับให้สถานะเหมือนความรู้ เกี่ยวกับเรื่องศาสนาอันที่จะให้สามารถฟัตวัวได้แล้วเขาบอกว่าการทำนายฝันเนี่ยเหมือนฟัตวัวเพราะอะไรเพราะคนไม่มีความรู้ในด้านตัวบทเขาจะเวนิวนิฉัยตัวบทจะได้ผลิตคำชี้ขาดที่เราเรียกกระวนวฟะตวัวและคนที่ทำนายฝันเนี่ยเขาจะวินิชไฉในเนื้อหาของ ฝันที่มาจากอัลลอฮ์นี่ที่เป็นรุยาเนี่ยจะได้มีข้อสรุปว่าฝันเนี่ยหมายถึงว่าอัลลอฮ์ต้องการอะไรตัวบทเนี่ยอัลลอฮ์กำลังบอกกับเราต้องการอะไรผู้รู้เนี่ยที่จะขยายความว่าฟัตวาว่าเนี่ยอัลลอฮ์ต้องการแบบนี้นะคนที่ทํานายฝันนี่ที่มีความรู้มีความสามารถในการทำในฝันเนี่ยเท่ากับเขากําลังบอกว่าอัลลอฮ์ในฝันเนี่ยกําลังบอกว่าให้ทําแบบนี้ทําแบบนี้ระวังเรื่องมุ่นระวังเรื่อง อุลวะก็บอกว่ามันมีสถานะไกลเคียงกันเพราะฉะนั้นท่านนาบีให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ให้ซาฮับได้ฝึกฝนฟตาตัววินิจฉัยชี้ขาดและฝึกฝนทำนายฝันด้วยอนนี้ฮ ادي สุัสยบุคอรีท่านนาบีละมาสุบทุกวันเนี่ยแทบทุกวันเนี่ยหลังจากละหมาตอัสการเสร็จแล้วท่นานนบีก็จะหันมาถามซาฮับนี่มีใครเห็นลูกยาไหม นี่ใคเห็นรู้ยามโอ้มันไม่ใช่เรื่องของพูดเล่นกันนะ่ะนะเฮ้ยเรื่องพูดเล่นนะ่ะนะฝันน่ะเออลืมบอกด้วยน่ะไม่ใช่เรื่องพูดเล่ น, นะนนะเนี่ยนะ เ, พ เ, นนะเพราะคนดแกล้งพูดว่าฉันฝันมาแล้วเขาไม่ได้ฝันอุลามาบอกว่ามีสถานะนี่โกหกในเรื่องฝันนะ่ะพูดว่าฝันแล้วไม่ได้ฝันมนะีสถานะเหมือนอุปโลกฮะดิษ อุบโตฮาริสกุฮาริสขึ้นมาอันนี้กุฝันขึ้นมาอัลลอฮมาดีว่าเป็นบาปใหญ่ฝันไวเห็นอย่างงน้นเห็นอย่างนี้เราชาวบ้านฝันไหวอย่างนี้เป็นบาปใหญ่นบีถามซหฮาบะทุกวันตอนเชา้าหลังละหมาดสุโมเสร็จแล้วนี่มีใครฝันไหมพวามมีใครบอกว่าฉันฝันเหน็นอย่างงี้น้านนามบีก็จะถามซหฮาบะ อ่าใครใครสามารถทํานายได้ไหมฝึกฝนให้ซาบว่าได้ฝึกทํานายฝันเรื่องนี้เป็นศาสตร์ที่มีความสําคัญแล้วถูกยกย่องศาสตร์เนี่ยถูกยกย่องว่าเป็นศาสตร์ที่ท่านนาบีสุลต่านฮะอิอุสลามและสหายเนี่ยให้ความสําคัญมาก ถึงขนาดที่ท่านนาบีเนี่ยจะถามสหายทุกวันเกือบทุกวันเนี่ยหลังซุบโบ์เนี่ยแบบนี้ถ้ามีผู้รู้ที่สามารถชี้ขาดฟ้ตาตัวในเรื่องศาสนานี่มีเยอะแยะนะแต่เรื่องคนที่ทำนายฝันเนี่ยจะไม่มีคนเยอะคุณสมบัติของคนที่ทำนายฝันนี่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้มากนะแต่ต้องมีความรู้เรื่องศาสนานทําไมอะ่ะ ความการทํานายฝันเนี่ยจะต้องอาศัยตัวบทหลักฐานเพราะส่วนมากสิ่งที่อัลลอฮฺสอนในฝันเนี่ยสิ่งที่อัลลอฮฺสอนในฝันน่ะมันจะมีอุทาหรณ์ของมันในกุรอานและฮะดิษแล้เป็นเรื่องแปลกนะผมไปอ่านดูการทํานายฝันในวัฒนธรรมในในไทยเนี่ยแล้วก็ในในในฝรั่งเนี่ยบางการทำนายเนี่ยที่เขาทํานายเนี่ย ทำนายเหมือนเหมือนตามหลักการศาสนาเลยแต่ของเขานี่ไม่มีเหตุผลเลยนะว่าทําไมต้องทํานายแบบนี้แต่ในหลักการศาสนาเนี่ยมีเหตุผลว่าทํานายแบบนี้เนี่ยเพราะเนื้อหาแบบนี้เนี่ยมันมีอุทาหรณ์ในกุตัลและฮะดิษที่จะบ่งชี้ถึงเรื่องนี้จึงสามารถบอกได้ว่าข่าวดีสําหรับผู้ศรัทธาในโลกนี้เนี่ยคือฝันเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับข่าวดีที่ได้มาจากตัวบทอัลกุรอาน และในเมือ่อฝันนี่มาจากอัลลอฮ์และกุุอัลและฮะดิษนี่ก็มาจากอัลลอฮ์เช่นเดียวกันมุสลิมก็ได้กำลังใจจากตับตกวบทในกุอัลและฮะดิษและได้กำลังใจข่าวดีจากฝันรุกยาที่มาจากอัลลอฮ์เช่นเดียวกันมันมาเป็นคู่ขนานกันและแต่บดีละลิขิตะลิม่าติลลาอัลลอฮ์ไม่บอกว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในลิขิตของอัลลอฮ์ลิมาติลลานี่ การตัดสินคำสั่งสอนกำหนดการของอัลลอฮฺสุบฮานาวะดาลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อะไรอย่าที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้หมายถึงม้วบุชรอข่าวดีเนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่ได้และมุชรอข่าวดีสําหรับใครอะ่ะข่าวดีสําหรับวะลีทิสัทธาและยมเกรงปวดเขาจะเป็นชาวสวรรค์แล้วเราจะแจ้งข่าวดีในโลกนี้อันนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าเราตระหนักดีในประโยคเนี้และตะเบดีลลิกลิ ม, จ ม, า, มาจะเปลี่ยนได้ไหมจุดจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้สแสดงว่าคนใกล้ชิดกับอัลลอฮ์จะต้องเป็นผู้ศรัทธาและต้องเป็นผู้เยีมเกรงอัลลอฮ์อันนี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ก็เป็นลิขิตของ Allah เป็นกำหนดเป็นกาลิม่าท์พระดํารัสของ Allah เปลี่ยนไหมวาลีของ Allah จะต้องเป็นผู้ศรัทธาและจะต้องเป็นผู้เยีมเกรง a l ะ a h แล้วถ้าเป็นวาลีและเป็นผู้ศรัทธาเป็นผู้ยี่มเกรง Allah เขาจะต้องได้รับข่าวดีเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้จะต้องมีสัญญาณแล้วผมนี่นั่งคิดมานานเลยนะว่า ไอคนที่กล่าวรับบุญอัลลอฮซุ ม, มัสตะามูพระผัวพินเจ้าพระผาวิบานของเรานี่คืออัลลอ์แล้วเขายืนหยัดามนั้นนะ่ะเขายืนหยัดมีกำลังใจอะไรเดียวเพราะยังไงนี่ต้องต้องเจอบททดสอบต้องเจอความลำบากอะไรเขาเขาจะยืนหยัดได้ไงก็นี่ไงเขาจะต้องมีข่าวดีตลอด จะต้องมีข่าวดีตอดข่าวดีแรกนะอย่างที่บอกกับพี่น้องว่าอาลัลลอฮฺในยุคุทาหอนน่ยข่าวดีนี่ที่จะมีนี่ก็คือเรื่องฝันดีใช่ไหมฝันเนี่ยที่คนจะฝันเขาจะฝันเองหรือคนจะนี่เป็นข่าวดีเป็นกําลังใจให้การเจอบททดสอบอะไรมากมายเช่นป่วยเดี๋ยวก็ป่วยแล้วก็มีไม่มีรายได้อะไรเยอะแยะไปหมดนี่มันบรรทบบันทอนกำลังใจเหลือเกินวันดีคืนดีเนี่ยเขาก็ฝัน ฝันเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำว่าเอออย่าอย่ า, อ ย, าอย่าท้อนะเดี๋ยวเราจะช่วยน ะ, ะ, ะกลางคืนนี่นะเครียดกินพาลามมาสีห้าเม็ดละเครีย ด, ยดตื่นเชานะ้าเนี่ยยิ่งแย้มแจ่มใสเนี่ยเมียมันเป็นอะไรอเป็นอะไรบุชระเลหุมุลบุชระเนี่ยละสิ่งเหล่านี้ที่ทําที่ทําให้เขาเนี่ยอิสตก์กาโมทาให้เขาเนี่ยินอยาก แล้วว่าเขาเยืนเนี่ยตลอดเช่นนี้พวมีกำลังใจตลอดเอ้าสมมุติว่ามีคนเนี่ยเคนอะไรกันล่ะคนที่ฝันบ่อยนะเขาบอกว่ากระจกเงาเข้าเนี่ยในสมองกระจกเงาเขานี่มันใสฝันทุกวันเลยแต่บางคนเนี่ยกระจกเงาเขากระจกมันมันมันทึบฝันอะไรนี่ลืมหมดครับบองชิ่งบางคนนี่ไม่ฝันเลยทำอะไรไม่ได้เลยบางที่ก็ฝันดีนะ ทำไมอ่ะนอนหลับนี่นาะยยิ้มทั้งคืนตื่นมาเมียบอกว่าเป็นอะไรอ่ายิ้มนอนนอนอย่ายิ้มทั้งคืนจําไม่ได้แต่ยิ้มมันแต่แปลงนั่นนะคือคนที่นอนเนี่ยแล้วก็ไม่เครียดแม่เลยตื่นมาก็ไม่เครียดเแี่ยแต่จําไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่มีฝันไม่มีรุยานะแต่นี่เป็นอุท tha หเนี่ยถ้าหากว่าแค่ฝันเนี่ยเป็นบุชัรอฝันนี่มาจากอัลลอฮ์เป็นบุชรอซึ่ง ถ้ามาจากอัลลอฮี่แสดงว่าเท่ากับเป็นตัวบทหรือคำสัง ส, สอนแต่ทางอ้อมหน่อยไม่ต้องมีฝันเลยก็ได้เพราะเรามีตัวบทมีการสนทนาพูดระหว่างพระเจ้ากับเรากนี่ตรงๆเลยใ น, น, น, น, นคุรานียบุ ช, ชรอเพราะฉะนัน้นศาสนาของท่านนบี ศาสนาของท่านนบีแม้ว่าจะตัวท่านนบีแม้ว่าจะตัวกุรอ่านและคําสั่งสอนของกุรอ่านและฮะดีสนี่นะเป็นบิชาโรเป็นมุชรอใครอะนบีคนไหนอะนบีสุดท้ายก่อนนบีมุฮัมมัดเนี่ยได้บอกว่าจะมีศาสนาที่เป็นบุชรอที่เป็นข่าวดีวมมบบบชิรรููา อัลฮัด์ผูบัชิรอฉันมาแจ้งข่าวดีเข่าเรียกกันศา ส, สนาอิสลามนี่คือข่าวดีกุรานนี่คือข่าวดีมุฮัมมัดนี่คือข่าวดีมีข่าวดีในตัวฉะนั้นเราเศร้าเราเราเครียดเรามีอะไรนี่นะจับคุรานอาเลเราจะเจอข่าวดีแน่นอนแน่นอนบางทีนี่คนที่มีปัญหาเรื่องซึมเศร้า ไปหาหมอหมอก็บอกว่าอ่านกินยานี้มันจะช่วยบรรเทาอาการฮะปวดหัวไปหาหมอบอกก็อ่านกินยาตัวนี้มันจะช่วยให้บรรเทาอาการไม่ปวดหัวปวดท้องเอากินยานี้พอกลับบ้านแล้วนี่เพราะปวดท้องเรื่องแรกที่ทําอะไรเพราะปวดท้องทําอะไรไหนอะยาอยู่ไหนเหมือนเชื่อเชื่อโดยไม่มีข้อสงสัยเลยนะว่าถ้ากินยานะ หายปวดท้องเอา้าเชื่อขนาดนั้นเลยนะไม่ใช่ตบทไม่ใช่กุศลไม่ใช่อะไรเลยนะแต่หมอบอกว่ากินยาเดี๋ยวมันจะช่วยนะเออเราก็พราะเบทยังไม่ทันจะดุอายังไม่ทันจะอัลลอฮฺยังไม่อะไรนะั้นยาอยู่ไหนก่อนยาก่อนเอายาก่อนเชื่อหมอมากกว่าเชื่อเชื่อดุอาหาหมอได้นะกินยาได้นะแต่อย่าให้หมอนี่คือที่ ของความชื่อหมอจะเป็นพระเจ้าเสมือนเป็นพระเจ้านี่ไม่ได้สำหรับผู้ศรัทธาหมอเนี่ยเป็นสบับเป็นสาเหตุสาเหตุอย่างหนึง่งไม่สามารถที่จะผูกพันชีวิตของเรากับสาเหตุต่างๆที่อัลลอฮ์ให้มานี่แล้วก็ลืมผู้กำหนดสาเหตุผู้สร้างสาเหตุขึ้นมานี่คืออัลลอฮ์นิยิดของอัลล์เปลี่ยนไม่ได้และถ้าเปลี่ยนไม่ได้นี่สแสดงว่าผู้ศรัทธา เทีมเกรนตอลล์ซึ่งเป็นวอลีนี่แหละได้รับชัยชนะแน่นอนชัยชนะของเขานี่ไม่ต้องรอไปถึงวันเกียร์มาเนะ่ขอให้เขาเยียนยาตามคุณสมบัตินี้เนี่ยแล้วเขาจะได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนอัลลอจึงบอกนี่คิดนี่ไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนนะครับไม่ช่ว่าตกลงกันแล้วดีวกันแล้วและที่หลังนี่มันเป็นอย่างหนึง คุยกันแล้วตกลงกันแล้วดีอกันแล้วจะรับไม่รับแต่พอมาแล้วเป็นอีกอย่างนึงเอามาวท่งวดศรัทธาแล้วยอมเกรงแล้วเนี่ยแล้วก็ดไปวันเกียร์มากนี่โอ้เป็นอีกอย่างนึงไปเจอในเตนเยโฮในสวนสวรรค์อย่างเงี้ยวยเลยดิเป็นไปไม่ได้ลาแต่ดีลลิลิมติอลลอ แปลกนะและตบดีละลิขิติ์ละพระดำรัสของอัลลอฮนี่นะลิขิตเปลี่ยนไม่ได้เช่นเช่นสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างนี่เปลี่ยนไม่ได้และตบดีละลิขหลักิละอัลลอฮ์ก็บอกคงสร้างขอเราเนี่เปลี่ยนไม่ได้ผู้ชายเปลี่ยนเป็นผู้หญิงไม่ได้ผู้หญิงจะเปลี่ยนเป็นผู้ชายไม่ได้ไม่ได้ไ และการที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างนี่เนะี่ยมันเป็นการละเมิดล่วงเกินเช่นเดียวกันพระดำรัสของอัลลอฮ์นี่ก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้สิ่งที่อัลลอฮ์สัญญาไว้เนี่ยเป็ี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนแปไม่ได้แล้วเราจะให้เห็นในโลกนี้สัญญาณอภินิหารหลายอย่างอัลลอฮ์จะให้เห็นยืนยันในลิขิตในสัญญาณในพระดำรัสในคําสัญญามัน่น ที่อัลลอฮฺสุบฮานาอูวาจาลได้ได้แจ้งกับเราไว้ไม่ต้องรอก่อนจะตายแล้วมีมาอะไรก้าจะว่าก็ไม่สำหรับผู้ศรัทธานี่จะมีบิชารอจะมีเครื่องหมายข่าวดีมาเรื่อยสร้างกำลังใจสร้างความแข็งแกร่งในจุดยืนของผู้ศรัทธาตลอดเวลาแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องอามาน ว่าการุญตระกูลต้องศรัทธาแล้วก็ะยมกรีนแล้วกระยำกรีนต่อัลลอฮ์สุบฮานุตะและอัลลอฮ์จะไม่ทอดทิ้งอัลลอฮ์จะไม่ทิ้งเราถ้ามีการวิกฤตที่เราเจอแล้วก็เรารู้สึกว่าไม่มีใครช่วยแล้วพอแล้วแล้วอาจจะรู้สึกว่าที่อัลลอฮ์สัญญาไว้ที่อัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์บอกกับเราแล้วว่าเรื่องมันจะต้องเป็นแบบนี้แต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้น เราจะพบคำอธิบายชัดเจนที่อัลลอให้มาเป็นกำลังใจเพื่อให้จุดยืนของเรานี่มีความเข้มแข็งจิงไม่แตกนะครับคนในเวลาเขาจะเครียดประสบกับความลำบากมากมายในชีวิต ถ้าคนที่ไหนทั่วโลกทนไม่ไหวอ่ะแค่ อ, อกหักนี่ก็ฆ่าตัวตายแล้วนะแค่ อ, อกหักนี่ฆ่าตัวตายแล้วนะบางคนมีเจ็บไม่ไหวแล้วเป็นโรคนู่นเป็นโรคนี้เจ็บไม่ไห ว, แ ล, ว, ลลไไวแล้วนะี่บอกหมอหมอชีดให้ฉันไปสบายสบายฉันทนไม่ไหวแล้วจริงไม่แปลกนะครับพี่น้องชาวกาซ่านี่เขาทุกทรามานขนาดไหนอ่ะ ทุกทรมานขนาดไหนแทนที่เขาจะโอยจะหากว่ามันเป็นแบบนี้นี่ออกมาแล้วคือเขาสามารถไลฟ์ได้นะมีอินเทอร์เน็ตเนีเขาสามารถไลฟ์ได้นะเขาสามารถพูดอะไรได้ให้โลกทั้งหมดเนี่ยได้รับรู้นะชาบานิสตายที่กาซานี่ยสองล้านคนเนี่ยเขารำ บ, บากเดือดร้อนขนาดไหนทำไมเขาไม่ไลฟ์ออกมาทำไมเขาไม่ไม่ทำเาขาเรียกอะไร ทำวิดีโอหรือสปอตอะไรสักอย่างนึงอะนะขอโทษเทนติเยหูชาวยูวเนีเราขอโทษนะอย่าทําเราแบบนี้นะเราขอกระตันยูขอต่อพวกท่านนะเราขอเป็นมิตรขอเป็นเพื่อนกันนะอย่าได้ถล่มพวกเราเลยนะเปล่าเลยมียออมได้ออกมาด่าเนติเยหูทุกวันเลยออกมาสาบแชงทุกวันเลย แต่ในภาพรวมของชาวกาซ่านี่รวมตัวกันนะ่ะท่องจํากุรอ่านเรียนรู้ศาสนามัสยิดของเขานี่พังแล้วไม่เป็นไรนี่นะมา ก, การกังเต้นกังเต้นนิดนิดเลยก็มามาละหมาด ก, กันทยอยละหมาดไม่พอก็ทยอยละหมาดไม่มีเวลาจะละหมาดละหมาดจุมาในบางทีต้องต้องทยอยกันละหมาดไม่มีที่ละหมาดไม่มีที่สองล้านคนนี่มันกระจุกหยุดอยู่ตอนใต้ของกาซ่านี่ ลืมสิลืมอัลลอฮ์ซะลืมคุรานลืมศาสนาลืมฮามาสลืมมุจฮิดินซะแล้วทุกอย่างนี่จะเรียบร้อยฮามาสี่ไม่กี่พันคนนนะจะฮามาสี่ส่งให้ยูเลยพวกคุณสองล้านคนน่ะสองล้านคนนี่น่เอาฮามาสี่ไม่กี่พันคนนนะส่งให้ยูจบสงครามจบทุกวันนี้นี่เนี่ยไอเนี่ยไอ้งต้องไอทาอ่ะกับเนเธอรอีกคนนึงเรื่องฮามาสเธอฮามาสี่มอบตัวมอบอาวุธนี่นะจบสงครามจบ แต่ทำไมเหรอทําไมเขาไม่อยากให้จบอ่ะไม่ยอมแพ้เขาไม่ยอมอ่ะจะลําบากก็จะลาําบากมันก็ต้องลําบากสิแล้วอะไรที่เป็นกําลังใจอ่ะหันมาอ่านคุตัานหันมาขอดูอาหันมาทํากิจกรรมเรื่องศาสนานี่ไม่ลืมอัลลอฮ์ไม่ลืมศาสนาผมว่านี่ตัวอย่างชัดเจนเลยสองปียืนหยัดกันแบบนี้เนี่ยไม่ได้ยืนหยัดคนเดียวนะยืนหยัดกันทั้งประชาชน สองล้านกว่าคนผมว่านี่คืออภินิหารอย่างหนึ่งอุทาหรณ์ให้บุษทาทั่วโลกได้เห็นว่าประชาชนจํานวนสองล้านคนเนี่ยเขาสามารถต่อสู้มาอำนาจโลกทั้งหมดเนี่ยที่มารุมกินต้นเน่ยแต่เขาสามารถยืนหยัดได้อดทนได้และมีกําลังใจ ม, มีกําลังใจอดอยากกันเป็นเดือนนะ่ะนะถึงขั้นดีคนดีตายไม่มีจะกินนะ่ะนะเขาอดทนกันได้อะ ไม่ได้หมายร่วงว่าเราขอให้ถูกทดสอบเหมือนพี่น้องเราอะนะข้อในบีบอกว่าเราอย่าได้เสนอตัวกับบททดสอบเลยเพราะเราไม่รู้ว่าเจอบททดสอบเนี่ยเราจะอดทนจริงได้แค่ไหนนมีอัลกุสซุลล ah ัลอาลาฟีอาขอให้เราได้พ้นจากบททดสอบต่างๆอาลาฟีอา ah, ขอให้เราได้ปลอดภัยแต่ถ้าเราเจอพี่น้องของเราแบบนี้เนี่ยไม่ปลอดภัยหรือถูกทดสอบเนี่ยเราก็ต้อง เป็นกำลังใจให้เขาเราก็ต้องต่อสู้แทนเขาในสมรภูมิอื่นๆสมรภูมิอื่นๆที่เราสามารถต่อสู้ได้ต่อสู้ในการบอยคอรต่อสู้ในการประกาศจุดยืนต่อสู้ในการเผยแพร่ข่าวของพี่น้องของเราต่อสู้ในการยืนหยัดขอด้วยให้เขา เป็นกำลังใจมหาศาลในการยืนหยัดของพี่น้องชาวกาซาในยุคปัจจุบันในผมว่าในศตวรรษนี้นะศตวรรษนี้นะเป็นปรากฏการณ์ที่จะคุยกันอีกหลายสิบปีเป็นบทเรียนมหาศาลที่จะคุยกันอีกสิบสิบปีเลยการยืนหยัดการต่อสู้ของพี่น้องมูจาฮิดีเนี่ยก็เป็นเรื่องที่หาหาได้ยากในประวัติศาสตร์ขมนุษย์เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นบ่อยนะแบบเนี้ยอาจจะมี กองทัพแสนหนึ่งอีกกองทัพแสนห้าหนี่มาสู้กันอะไรเงี้ยเออแล้วก็มีกองทัพชนะอนี้มีเกิดขึ้นบ่อยบ่อยเหลือเกินแต่นี่มหาอำนาจทั่วโลกส่งอาวุธช่วยยูก่อการร้าละฮามาสิกี่พันคนนะ่ะอย่างมากที่สุดนี่สามหมืนอย่างน้อยที่สุดนี่เขาบอกว่าไม่ถึงหนะ้าพันน่ะต่อสู้กับมหาอำนาจทั้งโลกเลยอะ่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย ถ้าอินิหารไม่ใช่แบบนี้เนี่ยแล้วอะไรคืออพินิหารล่ะแล้วอะไรล่ะบอกว่าจะขจัดฮ า, ามาสให้สินส้นซากนี่สองปีผ่านไปแล้วนะฮามาสก็ยังโผล่มารถถังของยิวก็ถูกระเบิดทุกวันนี่เป็นสิ่งที่เราสุภานวุวจาล่เหมือนให้กำลังใจกับพวกเราเช่นเดียวกันพี่น้องมูจาฮิดีนเขาไม่ด้ผละบุญของจีฮารของเขาอย่างเดียวนะ ก็ได้ผลบุญสําหรับผู้ศรัทธาทั่วโลกที่ได้กําลังใจเขาเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลกที่เป็นนักสู้นี่ต่อสู้แ ม, ม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่มุสลิมที่ออกมาที่ออกมาเรียกร้องสิทธิให้วีน้องปาลิต่าเนี่ยเขาได้แรงบันดาลใจจากจากนักนักรบนักต่อสู้ในช่วงแรกนี่ทุกคนที่ก็เห็นฮามาสว่าเป็นกลุ่มก่อการร้รายนี่ผ่านไปแล้วสองปีเนี่ยเขาเขาเปลี่ยนใจละ เปลี่นใจแลฮามาสีเขามีความชอบในการต่อสู้พอเห็นความระยำความโหดเหี้ยมของยูก่อร์กา ร, รายา่ะนะสมควรแล้วที่จะมีฮามาสาพอแต่ประเทศไหนนี่เจอเหมือนที่เจอจากพวกยิวนี่นะประเทศนั้นน่ะก็ต้องมีฮามาสต้องมีนักต่อสู้ที่ออกมาปกป้องแผ่นดินปกป้องประชาชนของเขาปกป้องศักดิ์ศรีของเขา ก็ฝากไว้กับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับอสลลอฮุอะลัยฮุสะหบีอัมูฮัมมัดินุลลออาลัซาร์ริยุสัลต์ลล ม, al al มีคําถามไหมครับเชียยครับเขารับพระราชทารปริญญาบบนี้มีเสียงครับเสียงสิยั ง, ยงไงมันมีอะไรตอนมีอะไรอยู่ข้างหลังอ่ะตอนไปรับปริญญานะแะก็กลมแล้วก็อะไรนะถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยก็พอทําเนาพอเราไม่ถึงขั้นกราบาเนี่ยตอนไปรับปริญญาแล้วก็กมีกลม พิธีทั้งหมดเนี่ยก็ ม, มีมีทั้งพระสงฆ์มีพุทธ ร, รูปอยู่ด้านหลังฉะนั้นพิธีเนี่ยมันมีมันมีเรื่องความเชื่อด้านศาสนาด้วยไมยงั้นถาถ้ามันเป็นพิธีสากลพิธีการมอบปริญญาแบบสากลนนะั้นเหมือนที่มีทั่วโลกอะนะมันไม่ควรมีอะไรแบบนี้ไม่ควรมีอะไร บ, บนี้อสสุดว่า สมมติว so ่ามุสลิมมุสลิมนะปฏิญทศมุสลิมแล้วก็เาจักรับปริญยาแต่มีนักศึกษาที่ไม่ใช่มุสลิมมารับปริญญาแต่เราบอกเขาว่าตอนมารับนี่นะตอนมารับปริญมาบทนี่ต้องรับแล้วนต้องกล่าวสุลลัลมันก็จะกลายเป็นพิธีไม่สากลลวมันจะมีเรื่องศาสนาแล้วเรากําลังบอกกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยทาในเรื่องเรื่องที่มันเกี่ยวกับเกี่ยวกับอิสลามซึ่งมันมันมันไม่ควรที่จริงด้วยเหตุนี้เนี่ย คือทางการเนี่ยเขาก็รู้ไงของมุสลิมถ้าเขาไม่สะดุเนี่ยเขาไม่ว่าอะไรเลยนะอาจจะไม่รับปริญญานี่ไม่ไดมายถว่าปริญญาของท่านนี่ไม่ซ่อมนะแต่มันเป็นเรื่องของมุสลิมอ่ะต้องรับปริญญาแล้วก็ต้องมีนูแล้วก็เอามาอมติดนี่ไงปริมีรับปริญญามาแล้วแสดงว่ามีปริญญาจริงมันเป็นค่านิยมมีเฉพาะในประเทศไทยเราไปดูทั่วโลกนี่ไม่ไม่ ไม่ไม่ค่อยมีเรื่องเรื่องรับปริญญาแล้วเอาปริญญาที่รับจากนั่มาติดเชื่อไหมนักศึกษาที่เรียนที่อัสฮัดนะอัสฮัดนี่ไม่มีรับปริญญาไม่มีมอบปริญญาไม่มีเลยและไม่มีชาติไหนที่เขาเนมีแต่นักศึกษาคนไทยนี่แหละไปนี่แล้วก็ไปคุยกับอธิการคุยกับคณะบอดีบอกว่าคนไทยนี่เขาต้องมีรับปริญญา เขาก็อะไรรับปริญญาบางคนคือคือทักตรงนั่งตรงนี้แล้วก็นักศึกษาปักนักการเต้องก็ตั้งหอได้ได้แล้วเขาก็มีตังให้ก็นั่นนะมีต้องมีซองให้ด้วยนะมันไม่ใช่งานของเขาไงไม่ใช่เรื่องของเขาอ่ะม่ใช่ธุระอันนี้จะมาไทยก็ต้องจ่ายตังนี่เช่าห้องเช่าอะไรแล้วก็นู่นนี่เนี่ยทําไมอ่ะมันจะได้ถ่ายรูปของเขาเลยก็จะนั่ถ่ายรูปแล้วก็อันนี้ไงรับปริญญามาแล้วค่านิยมมีแต่คนไทยนี่แหละ ถ้าเรเชลาฟีก็ทํา right? กันนันนเนียเชาลาฟีก็ทํากันทั้งนั้นนะทาเหมือนกันทั้งนั้นดิมันไมมีความไมีความจำเป็นเลยจะบอกว่าไอ้เรื่องรับปริญญานี่นะเสียเวลาเสียงบเสียอะไรเช่าเดี๋ยวนี้เช่าชุดเท่าไหร่ละอไม่รู้นี่ให้รู้มาเช่าชุดเท่าไหร่เนี่ยต้องจัดเลี้ยงด้วยนะพอรับปริญญาแล้วแล้วก็ใส่ชุดนี้เนี่ไปหมูเออะไรกระทะนี่ยนะ เราวมุสลิมอะก็ต้องมีเนื้อกระทะด้วยแล้วก็ต้องไปสาชุดนั้นนั่นแหละมันจะได้ถ่ายรูปต่อเนื่องไงตอนโอ้โมันเปืองสิ้นเปลือกเลยเกินสารพัดขานิยมขานิยมจนกระทั้งหมาไม่ใชไรบ้านเราเนี่ยก็ต้องทำตามเพราะมันจะไม่ครบไงถ้าไม่ทำก็ไม่ครบอ่ะมคนเขาจะเหมือนไม่ซอกใจว่าอะไรแต่ที่จริงไงมันไม่ใช่ปริญญาก็คือปริญญา ศึกษาสอบเสร็จแล้วได้คะแนนเสร็จแล้วนะมาจะรับรองผลสอบของท่านจบละท่านเอาปริญญาบัตรนี่ในบัตรเนี่ยเอไปอ้างที่ไหนนี่นนก็ถือว่าอนวดจบแล้วท่านจบปริญญาแล้วเสียงนี่เสียงชาวสวรรค์นเนี่ยหือคนที่มีตําแหน่งในสูงในสวรรค์เขาจะได้รับการถูกทดสอบมากหรือว่าักมากขึ้นตรงนี้ แล้วการที่เราขออนุาตให้เรานัาา้นรอดพ้นจากการทดสอบนีเป็นยังไงคือคือต้องเข้าใจนะว่าท ด, ทดสอบนี้มันมีมันมีหลายมิติหลายรูปแบบหลายประเภทอบางคนเนี่ยในใจเขาเนี่ยเวลาเขาขอให้พ้นจากบททดสอบนี้บททดสอบนี้เขาเขาขอจากอลลรรรนีบททดสอบที่มันรุนแรง อย่าถูกทดสอบอย่าเป็นอย่าอย่าอย่าย่าเป็นไข่อย่าป่วยอย่าเจ็บอะไรเงี้ยนี่คือบททดสอบที่เขามองที่เขามองว่าเขาทนไม่ได้ใช่ไมแต่บททดสอบนี้อาจจะมีเรื่องอื่นที่คนเขาอาจจะมองข้ามหรือไม่นับว่าเป็นบททดสอบเช่นมีเงินเดือนเยอะเป็นบททดสอบสาหรับบางคนนี่อาจจะเป็นบททดสอบ อาจจะเป็นบททดสอบเช็กอัลบาเนียเนี่ยเขามองว่ามีเงินเยอะนี่นะ เ, เป็นบททดสอบทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถเรียนหะดิษได้เขาก็เลยขอให้มีไรายได้แค่นี้ทํางานแค่นี้ทางดังดี่ซ่อมนาฬิกาเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีคู่แข่งเลยนะถ้าซ่ อ, อมนาฬิกาทั้งวันทั้งคืนนี่โอ้ไรายได้มหาศาลแต่เขาไม่เอาพอถ้าเขามีรายได้แบบนี้จบเขาจะไม่เขาจะไม่เรียนหะดิษบ้างคนเนี่ยมองบททดสอบอีกอย่างหนึ่ง แค่นั้นบางทีเนี่ยเราผ่านชีวิตเราไม่มีบททดสอบประเภทประเภทรุนแรงแบเนี้ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่อะไรเลยแต่ผ่านบททดสอบเยอะในะที่เป็นฟิตเนสเรื่องสตังเรื่องอะไรเรื่องผู้หญิงเรื่องผู้ชายเรื่องว่าะที่มันไม่ใช่เรื่องรุนแรงอ่ะแต่มันก็เป็นบททดสอบเหมือนกันแต่เราจะมองงมว่า ม, มันไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นบททดสอบแต่มันเป็นบททดสอบ ตัวขอดรูอาให้พน้นจากบททดสอบทุกประเระอารมีครูอ้างว่าเราเป็นบุคคล بش ั่นริวัน خ ي รฟิตนะเราจะทดสอบพวกเจ้าด้วยความเลวร้ายแล้วกะ็และะ้วก็สิ่งดีๆสิ่งดีๆเนี่ยสุขภาพดีเป็นบททดสอบนันจะนั่งนึกในงไงนี่นี่ต้องอธิบายบรรยายสักครั้งหนึ่งสุขภาพดีเป็นบททดสอบเพราะคนส่วนมากเนี่ยเขามิตินี้เขาเขาไม่เก็ตนะนสุขภาพดีแล้วแข็งแรง ร่างรูปร่างหุ่นดีอะไรเนียเป็นบททดสอบใช่เป็นบททดสอบหลายบททดสอบเลยแข็งแรงแล้วก็ไม่ละมาดอย่างเงี้ยสุขภาพดีแล้วก็ไม่ทําความดีเป็นบททดสอบขอทุกอาให้พ้นจากบททดสอบทุกประเภททุกประเภณีฉะนั้นบีขอกว้างกว้างอ่ะ Allahu ma ni salukalaf walafiyah di ni wal dunya wal akhirat badpaydak จากทุกบททดสอบทุกอย่าง ที่มันเป็นภัยที่มันเป็นบททดสอบที่มันเป็นเรื่องที่จะบันทอนศาสนาของเราไม่มีกขอยุติเยราซุบฮนะตะลลฮมฮัมดีกะอชดุอัลลาอิลาห์อิลลั่อันตะสัฟรุวะตูบุอิเลิกซัลลัมุอะลัยคุมวะรหฺมุตุลลาฮฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ ل ฺ